ถ้ารู้แล้วมันแช้กล้ามันมันก็เป็นภาระไปในทางจิตใจไปถึงว่าเรารู้ว่าใครจะมานี่เราก็ต้องในทางรับผิดชอบเกิเราจะต้องไปไหนมาไหนเราก็ไปไม่ได้ไปแล้วเราก็จะอาบนวดไม่ดีสบายไม่สบายใจแต่วันนี้ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> แต่เด็กเจ๊ ก, ก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วถ้าไม่มีธุระ จำเป็นจริงๆกระทำทางเรื่องอะไรก็จะไม่ได้เป็นอย่านี้แ่ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นแต่พูดให้ฟังว่าอยังไงก็ได้มาตามตามบุญตามกรรมก็แล้วกันเป็นตามกต ร, รมตามรับ <c oughs> ถ้ามันจะเจอมันก็เจอถ้ามันไม่เจอมันก็ไม่เจอจะได้มีคนตามมาเยอะขึ้นก็ได้ คือมันก็ได้ไปอยู่ทั้งสองอย่างคจริงถ้ามาแล้วเจอมันก็ ม, นกมันก็ได้ไ ด, ได้ทำเทางเพศทางทํามได้ทาบุญไ อ, อะไรตามภาษาที่เราอยากจะทําแต่ถ้ามาแล้วไม่เจอมันก็จะได้เจอความผิดหวัง <c oughs> มันจะได้พบบริยาศาสตร์เจ <c oughs> <c oughs> อความทุกข์ถ้าเราผิดหวังเราก็จะรู้สึกเสียใจมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดความทุกข์แล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็จะ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 ความจริงถ้าเราได้เจออะไรทุกอย่างสมหวังนี่มันก็มันไม่ดีหล้วเพราะมันไม่ทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมามันทำให้เัาที่ลับเกิดความหลงขึ้นมามากขึ้นเพราะเราอยากได้อะไรเราก็ได้ตามความอยากถ้าเลยไม่เห็นโทษของความอยากเพราะความอยากได้แท้จริงแล้วเป็นต้นเหตุของความทุกข์แม้อะไรมันก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วแต่นี้เราไม่รู้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 ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เกิดมีความฉลาดขึ้น <playoffs> ม, มาหรือไม่ได้ในมุ่งคิดว่าอยากอยากจะได้อะไรแล้วจะต้องได้เสมอไปไม่ได้แล้วจะต้องเป็นจะตายให้ได้จะต้องอไนี้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ก็ไม่ตายเพราะ่อนที่เรา่อนที่เราไม่มีความอยากนี้เราก็อยู่ได้ ə. เมื่อเราเมื่อเมื่อเรามีความอยากนี้แล้วเราเราไม่ได้ดังความอยากก็ไม่เป็นไร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 ไปไปกราบครูบาอาจารย์หรืออยากจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างเนี้ยบางที่ท่านจะไม่รับทั้งแรกไปท่านจะบอกไม่ว่าอยู่ไม่ได้เราก็ต้องทําใจแล้วก็ถ้าเรายังมุ่งมัน่นเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้สิ่งที่ดีที่งามสำหับเราได้วัดของท่านยังเป็นสถานที่ที่เราสามารถสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในตัวเราได้ เราก็ต้องกลับไปกลับไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะให้เราอยู่นะเพราะว่าตรงทีส่วนหนึ่งก็เป็นการทดสอบจิตใจของเราทดสอบดูความตั้งใจว่าเรามีความตั้งใจจริงไหมเพราะว่าใดหรือองค์กรใดถ้ามีคนที่เข้าไปอยู่แล้วไม่มีความตั้งใจเนะมันไม่ค่อยจะดีถ้ามีคนมีความตั้งใจแล้วไปอยู่แล้วมันอะไรทุกอย่างมันก็ง่ายสะดวกขึ้น หนักนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ถือสากันแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งใจไปอยู่เหมือนกถูกบังคับให้ไปอะไรอย่างเนี้ตายแล้วบางทีก็จะเป็นคนสร้างปัญหาขจริงๆเป็นคนที่จะคล้ายๆเราะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะจะโกรธจะอะไรไปอย่างนี้เพราะเขาไม่มีความตั้งใจที่อยากจะอยู่จริงๆดังนั้นเวลาไปกราบครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระท่านหลวงพระอะไร ถ้าไปหาสำนักครูบาอาจารย์อยู่นี่จิตใจต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นหรือต้องต้องการกล้ า, าเผชิญกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าทำไม่ให้อยู่ ก, ก็กลับไปใหม่หรือถ้าอยู่แล้วท่านไล่ถ้าใจเด็ด ก, ก็อยู่ไปเรื่อยๆทำมือหูทวนทวนลมไปดูสิว่าท่านจะว่า ย, ยัางไง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 ส่งออกไปข้างนอกก็ไปอย่างถ้าเขาไม่เข้าเพียงแต่พู ด, ดเฉยๆก็ยังไม่ได้มีการลงไม้ลงมือจับเราขึ้นรถลากเราออกไปจากวัดเพื่เราก็อยู่ต่อไปเพราะี่เคยได้ยินมานันมีรู้สึกจะมีในในพระไตรปิฎกอยังไงที่พระพุทธเจ้าสังเัตไหมว่าถ้าเราไปแสวหาครูบาอาจารย์หรือเราพบครูบาอาจารย์ที่เรา มีความเคารพมีความเชื่อในตัวท่านและอยากจะอยู่กับท่านแต่ไงท่านจะไล่เราอย่างไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่ไปเพราะบางทีการไล่ของท่านนั้นก็เป็นอุบายทดสอบดูจิตใจของเราเหมือนกันหรือว่าเรามีความหนักแน่นมีไหมเพราะการที่ท่านจะช่วยส อ, อนส อ, อนให้เราต่อสู้กับดดกิเลสเราได้นี้น บางครั้งบางคราวท่านอาจจะต้องใช้วิธีที่หนักกับเราบางส่วนถ้าเราไม่มีความหนักแน่นบางแกจะไม่ได้รับไปเยอะตอนลูกลูกระเบิดท่านลูกก็แผ่นหัหนแนกเนท่านท่านแสดงกิริยาอาการอะไรต่างๆความจริงเป็นการทดสอบ จ, จิตใจด้วยเป็นการช่วยขุดคุ้ยกิเลสที่มันยังมีอยู่ในในจิตใจของเรา แต่ว่ามันไม่ปรากฏออกมายกเว้นในกรณีที่มันมีเหตุการณ์แรงแรงอะไรขึ้นมาเราสังเกต ด, ดูจิต เ, เราบางทีถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์สบายๆเรามีความสุดกันมันจะไม่มันไม่มันจะไม่ออกมาแต่ถ้าเราอยู่ในในเหตุการณ์ที่วิกฤตหรือครับขันเหตุการณ์แรงแรงมันจะออกมาเราบ้งจะเห็นธาตุแท้ของคนในยางที่เราบดบังได้ยาก ถ้าเราร่วมสุขกันส่วนใหญ่จะไม่ค่ยเห็นภาาแท้กันเพราะวาเวลามีความสุขนี่พิเลสก็ก็เอออ อ, อไปด้วยพอใจแต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องลำบากอาจจะเห็นว่ า, าต่างคนต่างเริ่มคล้ายๆว่าขอาตัวรอดกันตัวขายตัวมันนี่ก็นี่ก็พูดเรื่องเรื่องถึง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 แต่พอเวลาต้องเสียไปนี่บางคนทํำใจไม่ได้ก็ลําบากบางคนถึงกับต้องทํำลายชีวิตตนเองหรือทํำลายชีวิตของผู้อื่นไปด้วยเวลาที่ต้องสูญเสียในสิ่งที่ตนเองไม่เคยคิดเผื่อไว้ก่อนเช่นเรามีคนรักแล้วคนรักเราไม่รักเราหรือหลบไปมีอะไรกับคนอื่นอย่างนี้พอเรามาจับได้รู้ได้อย่างนี้แล้วเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่า โลกนี้มันเป็นโลกของไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นกับได้ฉนั้นถ้าเราไม่ได้คิดเข้าไว้อย่างนี้พอมันเกิดขึ้นมาเราก็จะรับไม่ได้แล้วจะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติกระเพกกายอย่างนั้นก็จะถูกอานาจของกี่เลนมันมันหลอกครอบงำเราทำให้เราลุกแก่โถสะเรา่อลุกแก่โถสะก็จะต้องไปทํา การปธิบาทหรืออะไรที่มันผิดศีลผิดทรามไปนี่ยี่สาเหตุเพราะว่าเราไม่เคยประสบกับความผิดหวังหรือประสบกับความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราเคยได้เจอความทุกข์มาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ถ้าถ้าแต่เราเป็นเด็กเราเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความผิดหวังอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ค่อหวังกับอะไรเราจะรู้ว่าเออมันก็ตามมีทางเกิด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 เราอาจจะทำใจไม่ได้เราอาจจะไม่รู้วิธีทำใจว่าทำอย่างไรเพราะเราคิดว่าโลกนี้มันสดใสไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นปาตายทาที่เราคาดหวังไว้ทุกอย่างเป็นปาตายทาที่เราวางแผนไว้แต่มันไม่มีความจริงแนละ้วมันไม่มีอะไรที่แน่นอนในโลกนี้ดังนั้นการที่เราประสบกับความผิดหวัง ถ้ามองในแง่ที่ดีมันก็ดีคือมันเป็นการเ ป, เป็นการทดสอบจิตใจเราว่าเป็นการคล้ายๆกับเสรสร้างสัญญาิกับเราทําทให้เรามีภูมิต้านทางความผิดหลังในภายข้างหน้าเหมือนกับเครื่อง น, นี้เขาทางโลกนี้ครับกําลังสวมใยเรื่องโรคระบาดคือโรคหวัดไ้หวัดนกว่าถ้าเกิดมันระบาดก็สื่อคน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 แลมีเชื้อของโลคนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายเราการที่เราเจะความผิดหวังบ้างในชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้รับการฉีดรักติเมื่อเราเรารู้แล้วว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราหวังเสมอไปข้าวต่อไปเราก็อาจจะไม่หวังหรือถ้าเราหวังเราก็ไม่ไปยึดติดกับความหวังนะั้นคือคนเราก็ต้องตั้งต้องเ ป, ป้าวางแผนไม่เป็นเรื่องธรรมดา อยากจะไปไหนมาไหนก็ต้องต้องติดต่อกันไว้ต้องหน้าก่อนแต่เมื่อไถึงวันนั้นเหตุการณ์มันอาจจะไม่เ อ, อื้อทําให้เกิดทางที่เราต้องการกันได้เช่นสมมุติเกิดไปช่วงนี้มีพายุดีพรัชน์อะไรเข้ามาเกิดเดินทางไปถนนมันขาดไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไปมัน ก, ก็ต้องยกเลิกข้อหมายที่เราวางไว้ไป นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีไว้ในจิตใจของเราคืออนิจจสัญญาคือความความรู้สึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกเี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกวิทูหรือผู้รู้โลกพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลาย ที่มาเกิดในโลกนี้ต้องสัมผัสต้องเจอกันและต้องต้องรู้จักวิธีปฏิบัติเกกสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าโลกกระทำแปดโลกกระทำแปก็คือลาบยศสรรเสริญสุดซึ่งมีทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อมเป็นสี่คู่ด้วยกันมีการเจริญลาบเจริญยศสรรเสริญจบแล้วก็มีการเสื่อมลาบเสื่อมยศมีการนินทา มีความทุกข์เป็นของคู่กันกับกับสิทไปด้วยกันคือทั้งทั้งทั้งสี่ชนิดนี้มีทั้งได้แลวมีทั้งเสียบางวันเราก็ได้เงินได้ทองนะบางวันเราก็ต้องเสียเงินเสียทองไปบางวันเราก็ได้รับเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งแต่ต่อไปเมื่อเราถึงอายุที่เราจะต้องถูกเขาปลดออกมันก็เราก็หมดตาแหน่งนั้นก็หมดไป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 จนกระทัางกลายเป็นการติดนิสัยไปมันก็จะเป็นเหมือนกับการติดยาเติดติดด้วการติดสิ่งต่างๆเช่นบุหรี่หรือสุรายางมาเราก็ไม่ได้เกิดมากับสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อน น, นี้เราก็ไม่เคยสูบบุหรี่เราก็ไม่เคยกินเหล้าเราก็อยู่ได้แต่พอเราเริ่มสูบบุหรี่แล้วเริ่นเปิดสุราแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยมา อวันใดไม่ได้เสสูบบุหรีไม่ได้เสดสุลาก็จะมีความอาการที่ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ <c oughs> เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะสืบบุรีอยากจะเสดสุลาเราต้องมีความแน่ว่าเออ่วันไหนไม่มีเราก็ต้องอยู่ได้ไม่รู้สึกอะไรกับมัน <c oughs> ถ้าเราอยากจะอยากจะเสดเหล่านี้เราก็ต้องฝึกคือ เสดบ้างไม่เสดบ้างอาจจะสูบเลยสักสาวันแล้วก็หยุดไปสามวันแล้วก็กลับมาสูบใหม่อะไรอย่างเนี้ยทําให้มีการมีการฝุดขัดทั้งสองด้านฝุกขัดกับการมีและฝุดขัดกับการไม่มีเพื่อจิตใจมันจะได้รู้จักวิธีปรับตัวให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> นี่ก็คือการการ การปฏิบัติธรรมคือให้ให้รู้ทันกับสิ่งเหล่านี้แล้วให้สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้เพราะบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องมีเช่นเงินทองทุกคนก็ต้องมีไว้ใชงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังว่าการใช้เงินใช้ทองนี้มันไม่ทําให้เราใช้มันอยู่เนี่ยไปจนกระทั่งเราไม่สามารถอยู่โดยที่ ไม่มีเงินไม่มีทองจึงอยู่มันต้องมีบ้างไว้สาหรับซื้ออาหารอะไรตรงนี้พวกปัจจัยตัวแต่เราก็อยากไปซื้อในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเราก็จะไม่ค่อยขาดเงินขาดทองเท่าไห ร, ร่ก็พอจะมีเงินทองอยู่ไปได้อย่างสบายพราะนีนะ้ผู้จ้าทรงสองให้เราพิจารณาถึงโลกธรรมแต่ วามันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญต้องสัมผัสกันถ้าเรามีปัญญาเรารู้ทันว่ามันไม่แน่ น, น, นอนนะสิ่ ง, งต่างๆที่เราสัมผัสในวันนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้สัมผัสมันอีกก็ได้วันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะมีความทุกข์ได้การที่พระเจ้าทรงสอนวิธีที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือว่าให้เราหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วคือความสุขภายในความสุขภายในนี้ก็เกิดขึ้นจากการทาบุญทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเพราะเมื่อเราได้ทํำสิ่งเหล่า น, นี้แล้วมันจะทําให้จิตใจเราสงบตัวลงทําให้จิตใจเร า, เาได้รับการชาระคือกิเลสปัญหาต่างๆจะถูกกําจัดไปเทียเล็กเทียน้อย ทุกวันนี้ที่เราต้องออกไปเกี่ยวข้องกับโลกธรรมทั้งป่าก็เพราะอำนาจของกิเลสปัญหานีเ่เมื่อกิเลสปัญหามันสร้างความหิวสร้างความต้องการขึ้นมามันก็จะวิ่งออกไปหาราบ้วยแร่ละส่วนสุดแต่ถ้าไม่มีกิเลสปัญหาเป็นตัวที่ผักดันจิตใจให้ออกไปจิตใจก็ไม่ต้องไปไหนจิตใจอยู่เฉยๆอยู่ในภาสนั้น ก็มีความสุขแล้วเพราะความสุขนี้แหละที่พุทธที่ระพุทธเจ้าสงังกัดได้ว่าเป็นความสุขที่ชนะความสุขทั้งหลายที่เรียกว่ารถแห่งทางลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวนก็อยู่ที่ลถของความสุบนี้เองถ้าเราสามารถทําจิตใจของเราให้สุบได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยลาภยศธรรมาเสริญสุขเป็น <c oughs> เป็นเครื่องอยู่ต่อไปนางครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้กันท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้ไปมีความจําเป็นกับลาบยศพละังสุขเลยราบได้มาเท่าไหร่ท่านก็นําไปทําประโยชน์ให้จําโลกอีกต่อเนื่องเพราะในตัวของท่านเองนั้นท่านก็พร้อมในทางจิตใจของท่านท่านก็ไม่ถือกับอะไรในทางปัจจัยสี่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากศรัทธาญาณโยมอยู่แล้ว มีดินทบาดก็มีอาหารรับประทานทุกวันมีวรก็มีคนถวายอยู่ประจำมุจจิดาลาที่พักก็มีอยู่ความดังนั้นท่านก็มีทั้งสองอย่างมีทั้งสิ่งที่จาเป็นที่เรียกว่าปัจจัยสี่แล้วก็มีความสุขหรือความอื่นที่มีอยู่ในจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการลาเพญทานสีนนภาวนา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 ขดงาวได้รับการชำระด้วยการบำเพ็ญทานสีสภาวนาจนทำให้จิตใจนั้นมีแต่ควาสมสงบนิ่งเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเวลานั่งหลับตาทำสมาธิเท่านั้นเพราะว่าถ้าได้เจริญวลลิปัสสนาแล้วกำจกัดสามารถชำระเอาความโลภโกรธหลงออกจากจิตจิตใจได้แล้วแม้ในขณะที่เดินเหินคุยกันทาอะไรไปจิตก็ยังสงบอยู่ จิตไม่ได้มีอารมณ์กับอะไรเหนือยกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติความความสงบของจิตนี้มันเป็นไปแบบอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเ ม, เมื่อได้เข้าถึงขั้นปัญญาถ้าถ้าอยู่เพียงขั้นสมาธิมันก็จะสงบแต่ในเฉพาะที่ในขณะที่เรานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วกำลังพุทโธพุทโธทําจิตให้รวมลงแล้วเมื่อมันรวมลมมันก็สงบแต่พอมันถอนออกมาจากสมาธิแล้ว มันก็จะกินเหล็มันก็จะออกมากับสมาธินั้นมันก็ยังจะมีความโลภความโรกรธความหลงอยู่แต่ถ้าเราจะเรามีปรัชนาคือพิจารณาให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นโลกธรรมตั้งแต่นี้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนาาัตตาอนิจจ์เนี่งที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อมันเป็นอนิจจ์มันก็ต้องเป็นทุกข์คนเราเวลาผิดหวังนี่ก็เสียใจความเสียใจนี้ก็เป็นความทุกข์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 เรียกมันว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเริ่มตตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราเห็น mm hmm. ที่เราได้ยินว่าสิ่งอันนี้มันมาแล้วก็ไป mm hmm. เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ mm hmm. เราเห็นภาพบางทีเราเห็นภาพหนึ่งเราก็มีความชอบเราเห็นอีกภาพหนึ่งเราก็มีความไม่ชอบ แต่เราไปบังคับภาพเหล่านี้ไม่ได้ว่าเราจะเห็นแต่ภาพอย่างนี้อย่างเดียวภาพอย่างนี้เราไม่อยากเห็นเพราะในโลกนี้มันมีภาพหลายรูปหลายแบบด้วยกันคนหลายรูปหลายแบบด้วยกันเราเห็นคนนี้คนก็ น, นี้เราก็ดีใจเราเห็นอีกคนหนึ่งเราก็เสียใจไม่ชอบอชอบใจถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะกลายไปกันมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็น สิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ไปห้ามไม่ได้จะห้ามไม่ให้เห็นคนนี้ก็ไม่ได้จะห้าอยากจะให้เห็นคนนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องเห็นไปตามเห็นตามปัจจัยของเขาเมืเ่อเกิดเขาเข้ามาในรัศมีของสายตาเราเราก็ต้องเห็นถ้าเราไม่อยากจะเห็นเราก็ต้องหลับตาแต่หลับตามันก็ยังอยู่ในใจเราเพราะใจเราไปยึดไปติดกับรูปหรือภาพงนั้นเราต้องพยายามตัด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 ถ้ากำกี tried, business, there, not, have, have ๋เราก็อยากจะวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่ชอบนี่คืลักษณะของใจแต่ถ้าเราทําเป็นเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็อยู่อยู่ของเราเฉยๆได้เป็นอุเบกขานี่ก็คือการการการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาผลจะตกหรือไม่ตกก็ไม่เป็นไรที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ส่วนเดี๋ยวฝนตกมาก็ปล่อยมันอกไปเรามีกิจกรรมอะไของเราเราก็ทําของเราไป เมื่อเรายังออกจากสารา น, นี้ไม่ได้ก็ต้องรอให้มันหยุดไว้ก่อนเมื่อเมื่อหยุดแล้วเราค่อยไปท่านนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราต้องเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาเนื่อเขาเขามีคุณสมบัติของเขาอยู่อย่างนั้นเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราก็จะไม่ทุกข์เขา แต่ถ้าเราไปยึดไปติดอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นดั่งใจของเราเราก็จะมีความทุกข์ใจตามมานี่คือการพิจารณาสภาวธรรมให้ให้เห็นว่าเป็นตายรักเพราะฉะนั้นก็พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาก็แบบเดียวกันพิจารณาว่ารูปเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอ น, าานัตตาเหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตอนในร่างกายอันนี้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 เป็นคู่สนับสนุนแล้วเราจะเข้าใจว่ากายกับใจนี้มันเป็นคนละส่วนกันกายเป็นสที่ประกอบขึ้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็อาหารก็มาจากดินน้าลมไฟข้าวก็ต้องปลูกในดินต้องมีน้าต้องมีลมมีอากาศมีแดดความร้อนข้าวถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆผลไม้อะไรต่างๆก็เป็นเหมือนกันส่วนเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็ต้องกินหญ้ากินข้าวถึงจะโตขึ้นมาได้มันก็มีต้นมาจากดินน้าลมไฟเท่านั้นมีที่มาต้นนําธารของของสิ่งต่างๆก็มาจากดินน้าลมไฟแล้วมันก็มากลายเป็นผมของเลือดันหนังเนือ้ออ็นกระดูกแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป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 กายตอนนั้นมางทีจะเป็นเหมือนกับไม่ได้อยู่ไม่มีความไม่ ม, มีอยู่ในความรู้สึกของใจต่อไปหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเป็นวัตถุอันหนึ่งต่างจากใจไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกความสะทุกระทานกับความเป็นความไปความเป็นความตายของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายนั้องใจก็เพียงจะรักษาไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเท่านั้นเอง มาให้มากลับไปยึดไปที่มันมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้มันเป็นไปตามสภาพของมันถ้าล่อยมันเป็นไปกายก็อยู่ในความสงบเหมือนเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงวางเจด็จาริมิพันธ์ก็ทรงเจริญในเข้าช้างนตามจิตใจให้สงบแล้วก็ปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามตามเหตุของมัน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 แล้วเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยที่จะดึงให้ดินน้ำลมไฟมีอยู่รวมกันมันก็จะแตกความสามัคคีกันมันก็จะจะแยกจากกันเหมือนกับพวกเราตอนนี้เรามารวมตัวกันทิจศาลานี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้เรามารวมตัวกันเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยที่ทําให้เรามารวมตัวกันทั้งหมดเราก็แยกกันกลับเราก็ไปกันคนละทิศคนละทางเดี๋ยวเราก็กลับไปบ้านเราของใครของมัน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 ความจำได้หมายรู้ก็ อ, ออกมาจากจิตน้ำขามความคิดกงก็ อ, ออกมาจากจิตยินย า, ามการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูกระดูกเล่นกายเช่นขณะ น, นี้เสียงที่เราได้ยินมันไปสัมผัสกับหูเราแล้วก็ทอบเข้าไปสู่ใจโดยมียินยามเป็นผู้รับรู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้น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 ใจวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณในขันห้าวิญญาณที่รับยูรูปเสียงเก่งว่าผลกับภาพเมื่อตาสัมผัส ก, กับรูปก็จะปรากฏวิญญาณออกมารับรู้ว่ามีรูปปรากฏขึ้นมารูปถึงแม้เราเห็นรูปแล้วเราหลับตามันก็ยังยังมีปลงยังหลงเหลืออยู่ในใจเราอันนั้นก็เป็นผลของสัญญาโดยเราจําได้เี่เราเห็นภาพแล้วเราเราหลับตาแต่ภาพนั้นมันก็ยังอยู่ในใจเรา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 น, นี้วิธีที่เราจะปฏิบัติที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับเวทนาก็คือเราต้องปล่อยวางเวทนาคือต้องรู้ทันเวทนารู้ว่าเวทนามันก็เกิดดับของมันเองได้ดังนั้นมันจะเจ็บขนาดไหนถ้าเราไม่ไปลังเกียบมันไม่ไเคยคิดอย่างจะหนจากมันมันก็จะไม่เกิดทุกข์กในใจขึ้นมาที่เรียกว่าทุกข์ที่เกิดจากวิภาวะปัญหาเ <c oughs> วลาเราไปเจออะไรบางสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นไปเจอเวทนา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 ไม่ไม่เหลือทนคือพอทงได้พออยู่กับมันได้นี่คือการวิถีที่เราจะแก้ความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาคือเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารยมยามันก็เป็นสิ่งที่มันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับเราไม่ต้องไปไปอะยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันพแต่รู้ทำมันเท่านั้นเอง รู้ทันมันแล้วมันก็จะไม่มาสร้างสรรหาให้กับเราเราอยากไปรังเกียจทุกเวทนาแล้วเราอยากไปยินดีกับสุขเวทนาเราต้องรู้ว่าสุขเวทนานี้เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปนั่นกันอจากสุขมันก็มาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วจากไม่สุขไม่ทุกข์มันก็กลับไปสู่ทุกเวทนาถ้าเดี๋ยว ม, ยมันกกลับมาเหมือนกับเป็นลูกตุ้มนาฬิกามันก็แกว่งไปของมันแกว่งไปด้านหนึ่งสุดแล้วมันก็แกว่งกลับมาอีกด้านน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 โดยให้เริ่มต้นดังจากการทำบุญทา ท, าทางรักษาศีลแล้วก็ภาวนาในเบื้องต้นก็พยายามทำจิตใจให้สงบให้ได้ก่อนโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจะเป็นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ในียาบททั้งสี่พยายามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาภาวนาอยู่ในทั้งอยอาบททสี่พยายามหาที่สงบสงบที่เว้อยู่คนเดียว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 ที่ไว้เราใช้สําหรับผูกมัดจิตใจของเราจะเป็นการบริการพุโทโธพุทโธก็ทําทไปโดยจะมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของรา่างกรายก็รู้ไปเมื่เราเดินก็ให้รู้อยู่ว่าการเดินเช่นก้าวก้าเท้าซ้ายเท้าขวาก็กําหนดดูที่ทุ่เท้าเราเดินก็นได้เดินตรงก่อนก็ดูที่เท้าเท้าซ้ายเดินไปเท้าขวาเดินไปก็ให้รู้อยู่กับการก้าวย่างนั้นอย่าไม่ให้ไปรู้อยู่กับเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ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 ถ้าเราควบคุมได้อย่างนี้ต่อไปแล้วถึงเวลามันจะรวมโยนลงมันก็จะรวมลวงง่าเมื่อรวมลวงแล้วเราก็จะเห็นเป็นที่มหัศจรรยขณะจิตที่รวมลวงเป็นหนึ่งนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นอะไรนี้มันหายออกไปร่างกายแม้กะทั่นขณะที่นั่งนั้นจะร่างกายจะมีความรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนก็นตามพอเวลาจิตรวมลวงแล้วมันหายไปหมดเลความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นอันนี้มันหายไปคราะ แกระทั่งความรู้สึกว่ามีร่างกายนี้มันก็หายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตัวเดียวอยู่ตามลำพังของมันถ้าเราได้ข้อถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรห ร, รือว่าเราปฏิบัติเพื่อจุดนี้นั่นเองจุดของของของจิตที่สงบนะแต่สัแต่ว่าจุดนี้มันจะอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้นานสักระยะนึ่งมันก็ต้องถอนออกมา พอมาแล้วมันก็จะเริ่มคิดตัวคิดดวงไปมันก็มีกิเลสออกมาตามคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดมีความดีใจมีเกิดความเสียใจตามมาแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดอย่างนั้นอีกต่อไปเราต้องเอามาคิดแบบธรรมะคือคิดอะไรก็ต้องมีอวามนิจจังเข้าไปสอดแทรกมีอนัสตาเข้าไปสอดแทรกเสมอว่าคิดถึงคนนั้นก็ต้องบอกว่าคนนั้นสักวั น, นเขาต้องตายจากเราไปนะหรือเมื่อเราก็ต้องตายจากเขาไป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 จนกว่ามันจะถอยออกมาแล้วค่อยกลับมาพิจารณาทำใหม่พิจารณาสภาวะทำพิจารณาตายรักใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปแล้วมันจะเฉลีก้าวหน้าไปเรื่อยๆปัญญาก็จะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆจิตก็จะมีพลังขณะที่เราพักนี้เท่ากับเป็นการให้พลังกับจิตใจเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วแบตมันไฟมันก็อ่อนมันก็หมด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 เราก็ปล่อยให้จิตมันนิ่งตามความต้องการของมันนิ่งไปจนกวามันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็จะถอนออกมาเมื่อมันถอนออกมามันจะเริ่มคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็ต้องเดินมาคิดในเรื่องของตายลับมาพิจารณาเรื่องขันห้าพิจารณาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาให้เห็นว่ามันเป็นอนุจังปุจการนาตาเนี่ยเราก็พิจารณานี้ไปเรื่อยๆจนจิตมันเริ่มเห็นแล้วมันก็จะปล่อยวางเอง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 ระเบิดเวลาพอมีใครรู้มาบอกว่าในกล่องนี้มีระเบิดซ่อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวไฟกันหมดลนะ้วไม่อยู่ใกล้แต่ใดถ้าเราเห็นว่าราบยศคณะเสือสุกนี้มีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ในนั้นเราก็จะไม่เข้าไปยึดไปติดไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่อยากจะรวยแล้วเพราะรวยนั้นมันเดี๋ยวเวลาทุกข์มันทุกข์มากไม่อยากจะมีตําแหน่งชั้สูงแล้พนะอมีตําแหน่งชั้สู ง, สงแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องปวดหัวตามมา แล้วงนันมีข่าวข่าวเป็นรัฐมนตรีไนดะ้มีกี่วันก็ต้องมีปัญหาจะต้องลาออกกันนะ่ะนี่มันก็เป็นความทุกข์ทางนั้นแหละแต่แต่อยากได้กันเหลือเกินไม่เคยคิดถึงว่ามันมีความทุกข์ตามมาทางนี้ก็ไม่มีปัญญาอย่างนี้เองไม่ได้พิจารณาธรรมแล้วพิจารณาธรรมแล้วมันไม่อยากจะได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้จักยิ่งดียิ่งสบายอยู่ของเราไปวันๆหนึ่งมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขอยู่ในตัวเราพอแล้ว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 ปฏิบัติทำทุกวันแต่เราได้ทําไห้มันก็จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจเราอยู่ให้มีความนุ่มเย็ยนเสุดถ้าเราทาําบ้างๆมันก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบ่อน้ําขึ้นมาทําให้ใจของเราไม่มีแต่ความอนเอัดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่ไปแสวงหาอะไรอีกเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีความทุกข์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 ที่ชี้ทางให้กับเราให้เราจะพบกับขุมทรัพย์อันประเสริฐเมื่มีขุมทรัพย์อันใดในโลกนี้จะประเสริฐเท่ากับมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระ ส, งะสงฆ์สาวกทั้งหลได้ทรงบรรลุถึงแล้วนําเอามาฝากพวกเรานี่มาแจากพวกเราพวกเราก็ขอให้น้อมรับด้วยศรัทธาวิริยะสติสาธิและปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราได้ได้ในสิน่งทีท่านหยิบยื่นให้กับเรา ถ้าไม่สามารถทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เราต้องเป็นผู้ทํามันให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องขุ้นขวายกันอย่างเช่นมาทําบุญกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่อย่าทำบุอย่างเดียวพยายามรักษาศีลด้วยรักษาสีได้มากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาศีไปเราก็ต้องภาวนาไปด้วยว่าพระสวดมนตก็ดีหรือนั่งสมาธิก็กดีหรือ เ, เจริญวิปัสสนาก็ดีก็ทำไปตามกําลังของเราตามตามแต่ที่เราจะทํา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 ของความดีทั้งหลายว่าจะเป็นเหตุเพ่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญแท้จริงก็อย่าททยหยุดได้แต่ท้อได้แต่อย่าอย่าเลิกนะว่าวันนี้อาจจะไม่อยากจะนั่งนั่งบ้างก็เอาก็ห ย, ยุดไปทุกวันสองวันแล้วพอมีกําลังจิตกําลังใจก็กลับมาเริ่มใหม่เพระบางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีผัดกันลุกผัดกันลับบางทีกิเลสมันแรงเราก็รู้สึกว่าท้อ แต่พอที่เหล็กมันเริ่มเบาเราก็ต้องแล้วก็ต้องบุกมันลุกมันถลอกทั้งี้พยายามเข้าหาผู้บาอาจารย์ผู้รู้จริงอย่างจริงแล้วฟังเพศฟําธรรมของท่านอยูเรื่อยๆก็จะได้กําลังจิตกําลังใจและถ้าได้เพื่อนสูงจากดิ์ธรรมิกะที่ปฏิบัติธรรมก็จะก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยดึงให้เราได้ตังยัเว้นว่าเราอยู่ในขั้นที่เราอยากจะต้องปฏิบัติของเราอยู่ของเรากรรมน้นทัง ใจก็ยังอยู่ห่างจากคณะไม่ได้ก็ถึงเวลาก็ยังเที่ไปมาหาสู่กันไปสมนพนักงานทำกันไปปรึกษากันจนกว่าจนกว่าเราสามารถที่จะทํางานของเราสําเร็จลุล่วมได้แล้วพอเสร็จแล้วเราจะอยู่ที่ไหนกับใครหรือไม่อยู่กับใครก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปก็คิดว่าการสแสดงในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออุติศไว้เป็นท่านู เป็นแตนเพื่อพวกยายไปไว้ที่ขึนแตนแคตุงนี้คนเล่าัว่าถบริเวณนี่เป็นบริเวณที่เ็เจ้าปากเสือมาตั้งค่ายนะคะก็ไม่เคยได้ยินเขาพูดงั้นแต่ไม่ทราบว่าแคจริงอย่างไรไม่ไม่ไม่ได้ยินกับปากบอกใครเพีงแต่เห็นคครับแต่ไม่กล้ายืนยันแต่เห็นเขาว่าวันนี้ก็ไ่กา เขาสร้างสาราไว้ไอ้สร้างพระ อ, อุโบสถไว้ถวายเป็นพระราชกุศนธ์แด่พระเจ้าตากสินพระอุโบสถของวายานี่จะสร้างเป็นทองจีนเนี่ยตามแบบมาจากพระโบราวันนี้เขาสร้างแต่ละอย่างนี้ก็มีมีเจตนาที่จะถวายเป็นพระราชกุศนให้กับพระบรรดาพระมารดาสัตว์ต่างๆเป็นพระพุทธรูปใน พระประธานในโบสถ์ก็สร้างถวายให้กับสมเด็จพระในเสืนมหาราชพระเจดีก็สร้างถวายให้พระเจ้าเป็นดินทั้ ง, ง, งจกเจ้าพระในลาชวงศ์จักรีพ้ามูลดบที่อยู่บนยอดเขาก็สร้างถวายให้กับในหลวงกับพระราชนิยมแล้วก็ศาลาสมเด็จมูก็สร้างถวายให้กับพระเทพกับพระบรมศาลาธรรมศาลา ฉันอาหารก็สร้างให้กับพระพินางกับนุสึกกับสมเด็จยาก็วันนี้ก็คลายๆว่าสร้างเพื่อถวายเทิดทุนก็ให้กับบรรดาพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์พระราชวงที่พาให้ประเทศไทยเราอยู่กันมาได้ทุกทุกวันนี้ที่ความเป็นมาของสถานที่นี้พื้นที่นี้ว่ามี มีประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรก็อาตมาก็ไม่ได้ศึกษาพอดีได้ได้แผ่นวีซีดีเกี่ยวกับประวัติของวัดยานซึ่งรวมอยู่กับประวัติของสมเด็จพระสังฆราชกับประวัติของวัดประวันเดี๋ยวจะให้โยมไปคปัปตี้กันกันละกันเนี่ ย, นนยได้มาได้มาแผ่นนึ่งได้มาชุดหนึ่งก่อเดี๋ยวจะเราในนั้นเขาอาจจะมีพูดไว้ก็ได้ ตอนที่ฟังที่ท่านเทศมานี่ท่าจะมาอยู่ที่ปีสี่สีหรือเปล่าฮะแล้วปค่าจะมาอยู่ที่ปีสี่สีหรือเปล่าที่นี่นะครับไม่อยู่น่าจะปีสองเจ็ดอ๋อสองเ็ดพรผมสับที่ดีมันยังไมปีสีสี่ ได้เอาไปว่าที่กุิเลยนะไได้ค่ะเอาไปว่าที่กุิเลยนะมีอะไรไหมไม่มีคไม่บว่าตายแล้ว่าท้านจอยู่จะเบิ้นตากก็ไม่อยู่ที่นี่เลยครับก็ไปอยู่ที่ปทยาอยู่ปีไอยู่พัดที่ไหนวัดช่องู่วัดวัดวัดโพธิสามพันวัดโพธิสามพัเป็นเมื่อพอดีปีนั้นยมพ่อไม่สบาย อ oh. ก็เลยลาหลวงตามาดูแลพ่อ mm hmm. ก็อัตมาออกจากวัดบ้านตาฤาษีปลายปีสองหกหลังจากรับกระถิ่นเสร็จแล้วก็ป็ดู oh. ทางบ้านส่งข่าวมาบอกพ่อไม่ค่อยสบาย mm hmm. ก็เลยให้ไปดูก็เลยไปท่านเป็นโรเมะเร็งอยู่ที่ก้านคอ mm hmm. นั่ไหมานกำรักขาตัวอยู่ประมาณเพงเดือนมิถุนาปีสองเจ็ดกันเสษีย แล้วก็เผาทำงานสดเสร็จก็มันก็จะใกล้ข้อศงสาก็เลยไม่ได้กลับไปเลยในตอนที่มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมามาแบบมาเลยก็ก็มาดูลแต่เหตุการณ์ที่พอพอมาก็อยู่จนกระทั่งเสร็จงานเทผาสดมันก็ใกล้ที่ข้อศงสาก็เห็นว่าที่ที่บารดาศึกมีพระอยากจะเข้าไปอยู่กันเยอะ ถ้าเรากลับไปมันก็มันก็ทําให้อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่อะไรคิดว่าเราก็ไปอยู่นานๆพอสมควรแล้วไปอยู่เก้าพรรษาอยู่ตั้งแต่พัรษาหนึ่งถึงพัรษาเก้าก็ไม่ครบเก้าปีประมาณแปดปีกว่าไปเดือนเมษาถยมาห้าสิบแปดแล้วพอรู้จะเป็นธันวาหรือพฤศิกาสองพันห้ร้ยี่สบก็ก็ออกมาแล้วก็อะไรไม่ได้กลับไปเลย ออกมาแล้วก็อยู่ที่วัดที่แม่พัทยาอยู่พรรษาหนึ่งพอออกพรรษาแล้วรับประทิมเรียมาแล้วก็มาที่นี่เพราะเมื่อก่อนนี้ก็เคยเคยมาพักที่นี่อยู่อยู่ช่วคราวแต่ตอนนั้นถ้ำอยู่ข้างล่างข้างบนนี้ยังไม่ได้รับกาบุกเบิกยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่แล้วปีนั้นก็ปีสองหกนั้นก็มีพระอาจารย์จากวัดถ้ำกองเพลนพระอาจารย์หวันท่านมา เป็นหัวหน้าสงให้กับวัดนี้คือวันนี้เวลาสร้างใหม่ๆจะไม่มีพระที่เป็นหัวหน้ามาอยู่เพราะวันนี้เขาอยากจะให้เป็นวัดป่าเป็นวัดกรรมฐานมีพระเจ้าคุนที่วัดบวรเขาก็ไม่ถนัดเรื่องกรรมฐานกันเขาก็เลยไม่ได้มาอยู่สมเด็จ ก, ก็ต้องไปขอพระจากทางภูบาอาจารย์ทางพระอกจารให้มาอยู่ซึ่งคราวนี้มลหลวงปู่เจี้ยมาอยู่พันศาหรือสองพันศา ท่านก็ไปนึกถึงว่าท่านก็อยู่ไม่ได้หลังจากนั้นก็มีนิมนต์องนั้นมาบ้างอง น, นี้มาบ้างสลับกันไปจนนิมนต์ท่าอาจารย์หวันทึ่มาจากวัดท่าทองเข่งมาอยู่ท่านก็อยู่ได้หลายพราษาท่านก็เห็นว่าบนเขานี่สงบดีท่านก็เลยขออนุญาตผมเด็นมาพัฒนาบนนี้นก็เลยพาญาติโยมแบกไม้แบกบอะไรขึ้นมากัน เรากำลังทาศาลาทำกระต๊อบอยู่สองสามหลังอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทาถนนขึ้นมาตูกุตกุติอะไรขึ้นมามันเป็นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราตัวเราเองนี้ขึ้นมาอยู่บนเขานี่ก็ปีสามสิบในตอนที่มาอยู่ว่ายานตายปีสองเจ็ดก็ทํางิยู่้างล่างองอยู่ข้างล่าอยู่ประมาณสองปีกว่าพอปีสามสิบมีนาเนี่ยก็ขึ้นมานี้ ก็อยู่มาที่เป็นถึงทุกวันนี้ก็ประมาณอยู่วันนี้ได้ประมาณแค่สิบแปดีแต่ก็ยังทํากิจกรรมร่วมกับพระที่อยู่ข้างล่างเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้ทํากิจกรรมแยกกันบินฑบาตก็ไปร่วมบินฑบายกันฉันอาหารก็ฉันที่ศาลาดเดียวกันเพียงแต่เวลาอยู่แยกกันอยู่ถ้าต้องการความสงบ ก, ก็ขึ้นมาอยู่บนเขาถ้ายัางไม่ ยังยังไม่ถนัดยังไม่ไม่พร้อมที่จะอยู่บนเขาเขาก็อยู่ข้างล่างกันข้างล่างมันก็อยู่ใกล้ศาลาไม่ต้องเดินมากน้ํำฝนก็มออีพร้อมแต่เราอยู่บนนี้ก็ต้องเดินไกลหน่อยประมาณสามกิโลขึ้นก็ต้องเดินหนึไปตั้งแต่เช้ามืดยังไม่สวา่างเพราะต้องลงไปให้ทันเวลาที่จะออกไปบินรบาดทุกวันนี้ออกบิณฑบาตประมาณตีห้าสี่สิบห้า ก็ลงประมาณตีสิบครึ่งก็เดินลงไปเหมือนตกก็ลองเดินลงไปนอกจากถ้าฝนมันตกแบบแรงเป็นพายุนี้ก็ต้องรอให้มันหยุดก่อนถ้าฝนตกแบบธรรมดาพอกลางนุ่มเดินไปได้ก็ก็กลางลุ่มเดินไปใช้เวลาประมาณสักสี่สิบห้านาทีลงไปถึงก็ประมาณตีห้าคึแล้วก็นั่งนั่งพักอยู่สักสิบ้านาทีก็มีรถมารับคนยิงกระบะรถก็ไม่ขึ้นมารับได้ทั้งหมด ไม่เพราะคนก็ยังไม่ตื่นคนกำลังไปยังไม่ตื่น อ, อีกสิ่งนึ่ง <c oughs> แล้วอย่างก็เราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มันก็เป็นการที่เราปฏิบัติมาอนี้ตั้งแต่เริ่มต้นพราะเห็นว่ามันเป็นการเป็นอุบายอย่างที่ดีที่ได้เดินในเดินเดินเดินในที่มืดในป่ามันมันเป็นการภาวนาไปในตัวเดินไปกับพิจารณาความตายไปเรื่อย มันก็เป็นปัญญาขึ้นมาจนกรทั่งจิตใจมันก็ยอมรับสภาพว่าควรเรามันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เมื่อเมื่อมันพร้อมแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็สบายมันก็มันต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยเราภาวนาใช้เกิดปัญญาถ้าเราอยู่ที่สุขที่สบายแล้วเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นความความไม่เที่ยงความอะไรสิ่งเหล่านี้มันมัน มัน้อนแนอยู่แต่ถ้าอยู่อย่างนี้แล้วมั น, ม, นมันจะมันต้องปวงอยู่ตลอดเวลาเดินไปไม่รู้จะไปเจออะไรแค่ะนมันคือก็มีงูบ้างมีอะไรบ้างก็ดีอ่ะก็มันก็เป็นการทดสอบวันไหนที่เกลียกก็ไม่ต้องกินข้าวเ่ในภาษาแล้วพอดข้าวหฮะที่นี่ไม่ได้ออกันเพราะไม่มีไม่ไมีใครทําเป็นตัวอย่าง แล้วก็มันมีความแตกต่างกันมากพอสมควรพระที่้องการจะปฏิบัติจรงิงๆแทบจะไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นพระที่ก็บวชช่วงสามเดือนเข้าพัรษาบวดการประเพณีอีกพวกหนึ่นงเขาก็บวชใจต่างที่ที่คนเขาบวชกันแถวนี้บวชกัน่ะก็บวชแล้วก็ชอบชีวิตแบบนี้เขาก็อยู่ของตัวแบบนี้ไป ลหนก็ไม่ได้แข็งอยากจะออกปฏิบัติ<ม>กรรมฐานหรืออะไรอย่างไางก็อยู่แล้วก็ลงบลงวชไหวพระสวนมนตดินทบาททำกิจกรรมยุนบางสังส่วนอะไรไปนี่เขาก็พอใจอย่างเี้เขาก็อยู่องพอ็ไปได้วันนี้มีเอ่มีมีสีแล้วก็มีขึ้นมาม่2สองเป็นพระที่อยู่ขงงา้างล่างแต่้าชอบ เขาพาดบนไหนแต่เขาเขาอยากจะขอขึ้นมาภาวนะก็ อ, อ น, นุญาตให้เขาขึ้นมะภาวาก็มีตอนนี้ก็มีอยู่หกไม่ได้้องตัวใครตัวมันมใครพรอมเวลาไหนก็ลงไปไม่ต้องมามาไม่ต้องมายุ่งกันทุกคนรู้หน้าที่รู้เวลาของตนมองท่านท่านปีศาจนี่ก็ลงไปแล้วบางทีบางทีลงไปเลยข้างล่างก็มีประมาณสัก ทั้งหมดในภาษาเนี้รูปส่กจะมีประมาณสักหกสิบรูปเยอะจริงๆหกสิบก็มีห้าสิบประมาณห้าสิบกว่ารูปก็อยู่ข้างล่างกันวันนี้มันมันน้ําน้ําน้ําก็ไม่สะดวกน้ําก็ต้องอใสยน้ําฝนลองใส่แทงไว้ก็มีจํานวนจํากัดแต่ใช้บ้าก็มันก็จะหมดไม่พอครัอไฟฟ้าก็ไม่มี คนที่ยังไม่ยังไม่รักการภาวนาจริงๆแล้วจ๊ะไม่ชอบที่อย่างนี้แต่ถ้าคนที่ชอบภาวนาแล้วกลับชอบที่อย่างนี้คือให้มันลําบากอย่างอืเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องอะไรลําบากหรือขาดแคลนไม่เป็นไรแหละแต่ขอให้ที่มันสงบให้มันสงบให้มันไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจมันอย่างนั้นมันมัน ม, มีประโยชน์กว่าในด้านภาวนา ทีวันนี้ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นรูปกรรมพราคือสังฆราชท่านได้รับที่มาให้มาสร้างวัดท่านก็สร้างไปแต่องค์ท่านเองก็ไม่มาอยู่เองท่านก็ไม่ได้แบบว่าควบคุมดูแลพระองค์เองพระองค์เก็ปล่อยให้อาปางพระองค์นั้นดูแลบ้างองค์นี้นดูแลบ้างแล้วตอนหลังนี่ก็หาใครดูแลไม่ได้ก็เลยปล่อยให้ใบตามธรรมชาติดูแลกันเองไปอ่ อะไรก็อยู่คนแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่ละองแต่และท่านบางองท่านก็สนใจบางทีเวลาออกสรรษาท่านก็จะไปไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันอาจจะไปอยู่บ้างพระที่เมื่อคืนมาอยู่บนขาหนีก็เคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางทางนู้นมาก็พอจะรู้จักข้อวัดปัฏุบัติแต่ก็เป็นคนที่นี่เป็นพืน้นคนพื้นที่ที่นี่เขาก็ จะอยู่ทกักทั้กแล้วเขาคงิดถึงบ้านบ้างอะไรบ้างก็ทําไม่อยู่ที่นี่ครับเกดสมเด็จพระสังฆราชท่านก็อยากจะให้เป็นวัดกรรมฐานก็อยากจะให้เป็นวัดที่มีการปฏิบัติเอาสมาธิปฏิบัติธรรมมีปฏิบัติทุดงเขาวัดอะไรนี้ แต่ อ, อ, อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เป็นวัดที่สวยงามถ้าสร้างแบบให้เป็นเหมือนกับให้มีความสวยงามก็กลายเป็นวัดท่องเที่ยวไปก็มีมีคนมาเที่ยวมาชมอยตลอดเวลาในส่วนนี้ก็อยากจะให้มีเหมือนกับวัดบวาเพราะว่าวัดบวานนี่เป็นเหมือนก็เป็นเป็นเป็นต้นฉบับของวัดนีี้เนึยก็อยากจะให้มีทําเนียนของวัดบวานั่ง ก็เลยปล้เข้าไปผลเป็นมาผลเป็นเงินได้ผลเป็นมามีทั้งลูกทุ่งมีทั้งลูกกูงแตกทางต่างกันหมดเลยตอนอาตมา ก, ก็อยู่ไปตามอัธยาศัยของเราเราก็เราเคยปฏิบัติยังไงที่ครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติทั้งเราไปแต่เราก็ไม่ได้ไปไปสอนใครเป็นไปอะไรใครแต่ถ้าใครสนใจอยากเรียนขนานธรรมด้วยเราก็ เราก็จะสนทนาด้วยเราก็ทำหน้าที่ของเราเท้าเราก็เดินลงไปบนระบาดกลับมาชั้นชั้นเสร็จแล้วก็กลับมาที่ที่พักของเราแล้วเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็อยู่ของเราไปตามแนวทางนั้นอยู่มาก็อยู่มาใครสนใจจะมาฟังเทศฟังธรรมสมาอย่างเงี้ยมาแล้วกพูดไปตาม ตามความรู้ตามความสามารถเท่าที่จะพูดที่จะสอนได้ก็พูดไป <c oughs> ก็ไม่ได้หวังอะไรนะก็มันคิดอะไร <c oughs> ก็อยู่ไปอย่างเงี้ <c oughs> <c oughs> ยแท้แต่มันจะมั น, ม, นมันจะหมดเวลาของเราทั้งนี้ก็อยู่ไปทแต่ถ้ามันทําแล้วเราสบายใจไม่ไม่สร้างความวุ่นวายใจไม่มาทําลายความสงบในใจิตใจก็ทําไป ถ้ามันมารบ ก, กวนคว า, ามสงบในจิตใจของเราบางทีก็ต้องก็ต้องหาที่ใหม่อะไรไปก็อยักไปให้ไปเพราะงานหลักของเราก็คืองานดูแลจิตใจของเรารักษาจิตใจให้มัน ส, บนสงบไม่ให้มันคลุ้งคล้าไม่ให้มันวุ่นวายกับเรื่องราวอะไรต่างๆถ้าเรื่องราวต่างๆมันมาบีบมากเนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปถ้าไม่มีอะไรบีบก็อยู่ไป ก็ยังไม่รู้จะไปไหนเพราะไม่ไม่ได้ไปไหนกับใครไม่ได้ไปที่ไหนมาเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปอไปสมาคมไปรู้จักกับใครที่ไหนกับวัดไหนพระที่ไหนก็ไม่ได้ไปเวลาที่อยู่ที่บ้านตาก็ไม่ได้ไปไหนอยู่เนื่องเก้าปีก็ไม่เคยออกไปไหนการบวชมานี่ก็ไม่รู้จักใครขณะอยู่ในวัดก็ยังไม่รู้จักกับพระที่อยู่ในวัดด้วยกันรู้ก็เพียงแต่รู้จักรู้รู้จักชื่อรู้จักหน้าท่าตา เราไม่เคยไปนั่งคุยไปทําความรู้จักนสนิทสนมอะไรกับใครเพราะต่างคนก็ต่างในหน้าที่อยู่ที่นั้นก็เหมือนกันเช้าก็ออกลงศาลาไปตเตรียมตัวออกบินธบาตกลับมาจากบินธบาติฉ่ำเสร็จทำความสะอาดอะไรเสร็จก็กลับกุฏิคายกุฏิมันบ่ายก็ออกมาปัดกวาดฉ่ำน้ำร้อนน้ำชาเสร็จแล้วก็กลับไปส่ง น, าน้าเข้าที่ภาวานาของเราไปชีวิตมันก็มีแค่นั้นอยู่ที่นั้นก็ไม่ค่อยได้ไปหาใครไม่ได้ไปคุยกับใครให้ไหน เขาใครก็ไม่รู้จักเราเขาหละหรือคือรู้จักว่าเราเป็นใครนะั่นแต่ก็ไม่รู้จักว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี้ไม่มีใครรู้ไม่ไม่เคยคุยกับใครแตหน่อยแ <ME. S 2> ตกมนุษย์หน่อย <S <S คน<ม>อาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะคิดว่าทำไมดักแออกมาจากวันตรามันต่างนี่เกือบยี่สิบกว่าปีไม่เคยกลับไปเลยคือตอนนั้อยู่รุ่เดียวกับท่านอาจารชันิศา ก็อยู่ช่วงเดียวกันเนี่ยช่วงเดียวกันแต่อัตนาเข้าไปก่อนท่านหน่อยนึเข้าไปก่อนทสองสองสามปีสองปีหรืออย่างนี้ท่านก็ไปหลังหน่อยแต่ก็ก็ไม่ได้คุยกันก็อยู่ก็รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็เวลามาทํากิจกับพระก็ไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วมาทํากิจก็มีหน้าที่ถือกวาดปัดกวาดทำอะไรก็ทําไปแต่อยากจะมีสติดูแต่ดูแต่ใจเราเท่านั้น เรื่องภายนอกจะไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่แปกนะที่่านจาพูดถึงว่าอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ถ้าตัวไม่อยู่ก็หาที่ใหม่อะไรเงี้ยนะฮะอัน <c oughs> เจ็บเครียบเคียงกับโยมที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะมันอยู่ท้งที่ท้าอยู่สังคมที่ทำงานที่นี่อยู่แล้วสบายใจเพิง่งไปสบายใจเพิเจ้าหลักธรรมไปจับเพื่อจะให้อยู่ได้หรือว่าจะหนีไปไปหาที่ใหม่เลย นีงมีหลักพิจารณาอย่างไงนะท่านอาจารย์ว่าควรจะยังไงดีก็เห็นหลงปู่มั่นท่านเคยพูดให้กับข้าเวลาไปกับหลวงปู่มั่นเพื่อที่จะลาไปที่อื่นเนี้หลวงปู่ท่นทานก็บอกว่าถ้าไปแล้วมันดีกว่าเดิมดีกว่าอยู่ไปแล้วได้กาไรไปดีกว่าก็ไปถ้าไปแล้วมันมันแย่กว่าเดิมอยู่ดีกว่าก็อยู่ ตอนนี้มันไม่รู้ว่าที่ใหม่ที่จะไปมันจะดีกัที่ใหม่ที่เก่าหรือเปล่าก็ลองไปศึกษาดูไงกอไปลองดูอย่าจุอย่าไปแบบไปแบบตัดขาดเยื่อใยไปแบบว่าไปเที่ยวลองดูก่อนถ้าไปแล้วแร้วก็ที่ตรงนี้มันดีกว่าที่เก่าที่เราอยู่เราก็ไปเลยถ้าไปแล้วมันไม่ดีเราก็กลับมาใหม่กลับมาอยู่ที่เก่าใหม่ แต่มันก็ต้องมีความอดทนบ้างแหละคือไม่ได้หมายความว่ามีอะไรพักก็จะพอไม่ถูก อ, อกถูกใจหน่อยก็จะไปเรื่องเดียว น, นี่มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับนุ่นที่เวลามีดมมาพัดหน่อยมันก็ปิวไปตามลมมีอะไรมาสัมผัสหน่อยก็จะไปแล้ะก็ต้องมีความแน่นพอสมควรแต่กระทั่งรู้สึกว่ามันมันเดืมากแต่กระทั่งมันอยู่ไปแล้วนะมันไม่เจริญมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องอะไรอย่างนี้ก็ ไปแล้วมันจะดีกว่าก็หน้าไปดีกว่าหมายถ้าอาจารย์ทำงานอยู่แล้วก็ภาวนาไปด้วยอนะฮะพี่ท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังการทํางานมันทําให้เราเบื่อหน่ายแม้ที่ว่าเราจะทํารื่อยๆที่สุดแล้วอยากไม่อยากครับกลัไปทําเรียมภาวนาดีกว่าก็หน <c oughs> ้าจะอาบเทามากก็ลาออกว่าลาออกจากงานแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งโดยไม่ได้ทํางาน คือจะมาทํางานงานนี้ก็ไม่ได้เป็นงานที่มันตรงกับวิชาสาขาที่เรเลยมาเราจบวิศวะแต่หางานวิศวะสมัยนั้นหาที่เราอยากจะได้ไม่มีมีแต่งานแบบเป็นเป็นเหมือนกับไปคุมกอสร้างแต่เราชอบงานออกแบบอะไรทีนี้ก็เลยไม่เลยไม่ได้ทํางานวิศวะพอดีมีฝลั่งเขาอยากจะเปิดร้านขายติมพอดีเราตอนที่อยู่ที่เมืองนอกเราทํางานที่ร้านขายอติมพอดี ก็เลยมีมประสบการณ์ทางด้านนี้ิก็เลยเขาเลยให้เป็นผู้จัด ก, การให้เราจัดเป็นคนแค่แค่จัดระบบจ้างคนงานหาอะไรต่างๆมาไม่ใช่เป็นไอติมธรรมดาไม่ใช่ไอติมแบบที่ต้องผสมกันต่างด้วยพวกซันดงซันเดอะไรพวกนี้ต้องมีความรู้เพราะสมัยนั้นร้านแบบนี้ไม่มีในเมืองไทยไม่มีขายกันแต่จะเป็นไอติมที่มันใส่ถ้วยมากัน อาหีมแบบนี้มันต้องคล้ายๆว่าใส่สับประรดใส่กล้วยใส่อะไรหลายอย่างแล้วแต่จะรสชาติจะเลี่ยงที่ทำตรงนี้เพราะพอใจว่ามันอยู่ใกล้บ้านเลยแค่นั้นมันสะดวกมันสบายแล้วก็มันเงินเดือนก็ดีกว่าเป็นวิศวะสิถ้าเป็นวิศวะนี่เราอาจจะต้องไปทํางานที่ที่กรุงเทพแล้วก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่แล้วต้องต้องต้องเดินทางไปจากที่บ้านไปทํางานค่อ้างใช้จ่ายมันก็หมดละเราอยู่ที่เนี่บ้านเรานั่งรถ สองแถวบาทเดียวก็ถึงที่ทํางานแล้วแหละแล้วงานก็ไม่ได้จำเป็นเราต้องทำทั้งวันพราะเราจัดระบบเสร็จแล้วก็เพลยงนั่งกินกาแฟดูเด็กมันทํา ง, งานไปวันๆล้วก็นั่งอ่านโน <c oughs> <ๆ>้ตสกีนอยากจะลงไปเล่นน้านําแล้วก็เล่นน้ำของเราไปเราไม่ต้องทําทั้งวันเราเพียง <c oughs> <ๆ>แต่เราจัดดูแลให้มันระบบมันเป็นไปของมันแล้วเราก็ <c oughs> เวลาถ้าร้านมันยุ่งๆคนมันไม่ค่อยพอเราก็ลงไปช่วยเขาหน่อยแค่นั้นเองถ้าอยู่อย่างธรรมดามันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่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 เราก็ต้องสัตย์ทางนี้ไปเราก็เลยไปลาเขาหลังซึ่งทํางานได้แค่หกเดือนเขาหลังไันคิดว่าเราลาเพื่อที่จะขอเงินเดือนเพิ่ม <c oughs> ถามว่าคุณต้องการมันนี่เพิ่มเลย <c oughs> บอกไม่หรอกว่าเราตอนนี้พอดีเราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกนั่งทําสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าการทํางานกับการนั่งสมาธินี่มันขัดกันเราใจเราเราอยากจะหลอกไปทางนั่งสมาธิมากกว่าเพราะว่าทางโลกนี้เราก็สัมผัสมาพอสมควรแนละ้ว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 ถ้าก้าวหน้าได้ก็คงอาจจะไปบว ต, ต่อไปถ้าไปไม่ได้ก็อาจจะกลับมาทา ง, งานแล้วก็จะเลิกนั่งสมาธิไปเลยคือต้องเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเพราะถ้านั่งสมาธิแล้วมาทํางานด้วยมันก็เหมือนกับว่าเป็นน้ําร้อนกับน้ําเย็นมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นมันก็อุ่นๆทํางานทางร่วมมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าหรอกคนที่ทำสมาธิมากๆแต่ถ้า แต่ถ้าทํางานทางโน้นแล้วทําสนาที่เดิมันก็ไม่เจริญ ท, งทงางธรรมะทางพิจูดเพราะมันเป็นคนละทิศคนละทางกันต้องถึงเวลาจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเราก็เลยขอเวลาสักปีปีนี้จะจะจ ะ, จะใช้เวลาอยู่กับการปฏิบัตอิอยู่คนเดียวเพระทีโชคดีมีบ้านอยู่เป็นห้องแถวโยมไม่มีใครเข้าอยู่เพราะปล่อยเราอยู่คนเดียวเราก็เลยใช้เป็นเหมือนกับเป็นวัด เช้าขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิอะไรพอใช้สายแล้วก็ลงมาเดินจงกรมทํากับข้าวกินเองอะไรเองหรือไม่งั้นก็อไปซื้อข้าวถึนงนอกกินแคกินวันละมื้อใหญ่ก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะทําอยู่สามอย่างทำอยู่ในบ้านกลบ้านถึงบ้านอะไรขอเราไปคนเดียวไม่มีแล้วนั่นก็อ่านหนังสือธรรมะที่ได้นะ มาถือได้มาจากประเทศสิงคโปราเป็นแบมาถือภาษาอังกฤษพระสละเข้าไปแปลออกมาจากภาษากีนก็นะมีเกี่ยวกับเนี่ยธรรมจักรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยที่เรายึดเป็นอาจารย์ตอนเช้าขึ้นมาก็ท่องสูตรนี่นั่งท่องไปในใจมันก็สวดมนต์ไปแต่เป็นภาษาอังกฤษเนะี่ยท่องไปมันก็เข้าใจความหมายด้วยว่า ว่าให้ทําอะไรเช่นขั้ตอนให้ไปหาที่สงบตามคนไม้ตามป่าตามเขากาหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกนี่ยออกจากสมาธิเริ่มเดินเริ่มยืนเริ่มนั่งก็ให้มีสติอยู่กับการเดินยืนนั่งนอ น, นแล้วก็ให้มาพิจารณาดูกายดูพิจารณาการสามจิตสองดูซากศพดูอสุภอะไรต่างๆเหล่านี้นนแล้วการพิจารณาดูเวทนาดูว่ามันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันเป็นอนิจ <cca> จ <ces> <uv vrai> ังเพึกขทางหน้าตาให้รู้แล้วก็ปล่อยวางตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างนี้ทำลําทังเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะก่อนที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยเข้าว่าในหนังสือธรรมะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จากที่วัดได้จากคนที่เข้าไปไปเที่ยวที่พัทยาเเป็นฝรั่งคุยกันแล้วเขาก็เห็นว่าเราชอบทางนี้เขาก็เลยเหนังสือนี้มาให้อ่าน พอเราได้อ่านเล่ม น, นึ่งแล้วก็เลยเขียนหนัือไปขอต่อจากที่ประเทศศีีลังกาเนี่ยถล้วก็สมงหนังสือมาให้เรามาเราจะอ่านอ่านแล้วแล้วก็ปฏิบัติของเราไปคนเดียวเนี่ยไปได้เนีปฏิบัติได้ปีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เราบวชเราก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะทำเราปีหนึ่งนี้เราก็อยู่เหมือนกับเป็นพระเราไม่ต้องไปเที่ยวแล้วก็อยู่ได้ หาวันๆอย่งนี้ให้เราได้นั่งสมาธิได้งกมได้อ่นหนังสือธรรมะนี่เราจะอยู่ได้กนะ็<ม>เลยก็เล ย, ยต้องต้องคิดว่าต้องไปหาวัดที่มีการปฏิบัติอยู่ไปคุยกับสัมพภารใกล้วัดใกล้บ้านท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นวัดบ้านธรรมดามีงานจกมีงานจวดมีงานอะไรแต่ท่านก็เคยไปกล่าวครูบาอาจารย์ทางทางอีสานท่านมีการปฏิบัติจริงๆ ได้บอกว่าให้ไปตรวจที่วัดโบวอนกับสมเด็จยางแล้วกันจางนิยากให้ไปฝเกอยู่กับครูบาอาจารย์ทางพระอาตมาก็เลยไปไปกราบสาเร็จยางนไปขออนุญาตให้ท่านตรวจให้ไปคนเดียวท่านก็คิดว่าเราเป็นคนคนเหมือนกับไม่มีไม่มีบ้านไม่มีเรือนกระทำมีพ่อมีแม่ครปะ <laughs> เราก็ไม่รู้จากท่านนพัดร้อแล้วก็มาเกยเข้าไปไปท่านก็ถามว่ารู้จักการในวัดนี้ทรือเปล่าไม่รู้ด้วยก็เพึ่งพึ่งพึ่งเจอภาพพระหลังอยู่รูปหนึ่งก็ได้คุยกับท่านนะท่านก็ไปอานสาไปไปไปเล่าเรื่องให้สมเด็จฟังสมเด็จก็แล้วพาหให้พาโยมมาพบหน่อยโยมก็เลยกลับมาบอกให้โยมไปไปกล่าวท่านท่านก็กำหนดวันถวาย ก็ได้ตรวจอดีช่วงนั้นก็มีฝรั่งพรฝรั่งเข้าไปวัดตาบรรดากันอยู่ด้วยก็เลยดูว่าอา่ทางภาคอีสานมีวัดตาบรรด า, ามีวัดหลวงปู่เทสมีวัดมีวัดหลวงปู่ ฟ, ฟั้นที่ที่มีชื่อมีเสียงก็เลยคิ ด, ว, ด ว, ว่าก็ลองไปดูก็เล ย, ยไปที่วัดตาบรรด า, า, าแรกไปก็ก็ไปอยู่ตอนตอนอ้นท่านอาจารย์ท่านก็ไม่รับท่านก็บอกว่าอยู่ได้ชั่วคราว ก็อยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนใกล้มันเข้าพรรษาท่านก็มามาเตือนสติบอกว่าเอาเราเราเรารับเธอชั่วขาวดนั้นนะถ้าอยู่ไม่ได้นะให้เขาพูดอย่างเงี้ยของช่วงใกล้เข้าพรรษาท่านจะเริ่มเริ่มเลือกพระละเพราะท่านจะรับจํานวนจํากัดทีนั้นท่านรับแค่สิบเจ็ดลูปเท่า น, นั้นเองสิบเจ็ดสิบแปดลูกท่านก็บอกว่า องนั้นอยู่ได้องนี้อยู่ได้สำหรับดาราก็อยู่ไม่ได้จะอยู่ชั่วคราวท่านหยอกให้อยู่ชั่วคราวนล้นท่านพูดตอนก่อนที่ท่านจะเทศแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เฉยเฉยเลยก่อนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเอายังไงพอท่านเทศเสร็จแล้วเวลาเลิกประชุมจะกล่าวพาะท่านก็พูดล้วองค์นั้นจะอยู่ว่าอยูไ่ไห ก็อยู่มาตลอดแต่พีวอยู่นั่นก็ไม่ได้ไปไหนนะห้าพรรษาแรกนี้ไม่ได้ออกจากวัดไปไหนเลยก็ อ, อยู่ตรงนี้ปฏิบัติอย่างนี้นห้าพรรษาแรกก็ขอลามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโยมครั้งหนึ่งอยู่ที่นั่นได้ออกจากวัดมาทั้งหมดลาอมาเยี่ยมบ้านสองครั้งแล้วครั้งที่สามก็มาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลยล เ, เวลาเกือบเก้าปีนี้ก็ออกมาจากวัดถึงสาครั้งเอง เรอยู่ที่นั่นก็เคยเข้าไปในมือดอนเพียงสี่ห้าครั้งนั่น เ, นเคยไปเกิบนิมนต์ครั้งสองครั้งที่ที่ทาแบบว่านานาจะมีสักครั้งก็เคยติดไปแล้วก็เคยไปหาหมอตอนบางทีก็เป็นไข้ขเป็นไข้ป่าก็เลยไปชิดให้หมอที่ย้ายอ้นอกจากนั้นก็ไม่เคยไปไหนเลยอยู่ดอนก็ไม่เคยไปกราบครูบาอาจารย์ที่วัดอื่นเลยไม่รู้จากครูบาอาจารย์ทั้งหลา ก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องไปเพราะเรารู้ว่าเราไปไปกระเทานั้นเนี่ยไปท่านก็สอนให้เรากลับมานั่งภาวนาดีๆไม่ได้ไป็นะไปหาครูบาอาจารย์กี่ร้อยลูกก็เหมือนกันท่านก็ว่าทนศีลภานาหายเจอถ้ามันเจออาจารย์ในใจเราแล้วมันลองไปไปหาข้างนอกอีกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ย มันอยู่ตรงนั้นทําใจให้สงบเถอะจิตสงบแล้วมันไม่ไปหาใครแล้วมันรู้มันอยู่ในตัวเราแต่ทําต่างๆที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็สําคัญเพราะถ้าเราไม่ไดียินไดฟังเราก็ไม่รู้เรื่องปัญญาเรื่องอะไรเหล่านี้เราจะไม่รู้ต้องอาศัยคนที่ผ่านมาแล้วแต่เพียงจะรู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องนําเข้ามาปฏิบัติให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาในใจ หลวงตาท่านพูดเสมอว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านนี่มันเป็นความจำนะมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันต้องเกิดจากการปฏิบัติความสงบนี้เราก็ได้ยินมาแล้วแต่มันสงบหรือยังในใจเราเราต้องทําให้มันเกิดเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจเราให้ได้เมื่อมันมีความสงบแล้วมันจะมีฐานอันนี้เวลาพิจารณาทางปัญญามันจะไปมันเห็นตายรักมันก็จะปล่อยได้ ตอนนี้เราเห็นใจแล้วแต่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังเสียดายอยู่เห็นว่าต้องต้องต้องต้องจาง ก, กันแต่ก็ยังยังยังยังทิ้งกันไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเรารู้ว่าออมีถ้ามันมีความสงบแล้วมันมันมีที่ยึดแทนตอนนี้เรายึดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ทั้งทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เรายึดเราติดนะั่นมันมันเป็นของไม่เที่ยงก็ตามแต่เราก็ยังต้องอาศัยมันอยู่เราก็ยังปล่อยไม่ได้ แต่ถ้าเราได้ความสงบภายในใจแล้วเราปล่อยได้เพราะเราได้สิ่งที่ดีกว่าคือความสงบนี่เป็นการเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถอยู่ตามลำพังของเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเราเพียงแต่ว่ามันยังมีการต่อสู้กันอยู่ทังนั้นเพราะกิเลสมันยังไม่ยอมมีสมาธิถ้ากิเลสยังไม่ตามมันก็ยังหลอกล่อเราอยู่มันยังหลอกให้เราไปไปชอบสิ่งนั้นไปชอบสิ่งนี้ยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากได้สิ่งนี้ ถ้าปัญญาตามท้นก็สกัดมันหยุดไปทักๆหนึ่งประเดี๋ยวมันก็หลอกไปอีกกจนกว่าเราจะรู้ทันมันรู้ว่าเอออย่าหลอกเลยมันไม่เอาแล้วมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้ารู้ทันมันแล้วตาดมันได้มันก็จบไอตัวนั้นมันก็หลอกเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วต้องอาศัยปฏิบัติสู้กันไปจนกระทั่งไฟไปได้ล้มหายตายจากจากการไป ถ้าเขายังอยู่เขาก็จะสร้างความหลงคารา ใ, ให้กับล้วเราจะอยู่ไม่เป็นสเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เขาจะต้องหลอกลอ่ลอเราอยู่เสมอแต่ถ้าเขาหมดไปแล้วเราก็อยู่ของเราสบายตั้งใจพูดถึงก่อนที่ตัดใจออกจากงานแล้วมาทำภาวนานี่ไรครับพระพรตธรรมทิฏเนี่ยคุณความพร้อมระดับหนึ่งเลยใ่ไหมทา่าน ก็มันได้สัมผัสมาบ้างอ่ะกายนั่งมันมันเจ็บมันปวดอยู่แล้วเราก็เราก็ภาวนาไปกําหนดอนิจจังอนิจจังไปเนี่ยพักๆมันก็หายไปมันจิตนั่งสงบนิ่งเข้าไปเมื่อก่อนนี้มันเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้มันหายไปเลยมันก็แปลกใจว่าทำไมเมื่อกี้นี้มันเดินรอนกอดแข็งแต่นี่มันหยุดนิ่งก็เลยจับประเด็นได้ว่าอ๋อไอ้มันไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันดับได้อืม มันเปลี่ยนแปลงได้ที่หลายครั้งบางทีโยมมัก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะตัดทิจใจออกมาทำวนานะทำํำแต่ว่าเคยได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงว่าอย่าชิงสุกก่อนหามะซึ่งเป็นคําที่ดีมากเลยถ้าบอกว่าเราไม่มีความพร้อมเหมนันจะออกมาซ้ายก็ไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้ไปมาก็เควงปางเควงความในลักษณะนั้นก็ต้องถอยต้องบำเพ็ญในขั้นของเราถ้าเราถนัดตอนนี้ทำบุญทำทานก็ทํำไป แต่ที่จริงน่าคือมันอยู่ในโลกคารวะแล้วบางทีสังคมพวกนี้ก็มันเป็นอุปสรรคในการภรวนาก็ต้องปีกออกมาบ้างเลย้าปลีกออกมาบเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนี่ก็ไปอยู่วัดกันอะไรอย่างนี้คือคือเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะตัดมันทีเดียวให้ขาดได้เลยแต่เราก็ต้องมีความพยายามมีความกล้าหาญที่จะต้องทําในสิ่งที่เราที่ว่าเราพอทําได้ ถึงแม้ว่ามันจะเราเราจะไม่ชอบทำถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ลำบากแต่เรารู้ว่ามันเป็นทางที่เราจะต้องไปเราก็ต้องพยายามกระเสือกกระสมไปไม่ใช่จะรอให้โอกาสมันมาแล้วมันมันมนฉุดเราไปนี่มันคงจะไม่มีหรอกเพราะโอกาสต่างๆที่ที่จะฉุดเราแล้วมันมันมีอยู่ให้เราหมุนแล้วครูบาอาจารย์ดีๆก็มีอยู่แล้ว เมืองพุทธก็เป็นเมืองพูดที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีการทําบุญทําทานรักษาศีลธรรมากั น, านาาอยู่แล้วถ้าแต่ว่ามันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วอุปสรรคก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหละว่าเราจะถักตัวเราให้ไปได้ไหรือไม่นั้นถ้าเรายังอยู่แบบเดิมๆทํา่ทำแบบเดิมๆอยู่เราก็จะได้แค่รักษาบุญวาสนาที่เราเคยสะสมมาเราก็ทําได้แค่นั้นเช่ น, นถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาได้แค่ศีลห้า ถ, ถ้าเราถ้าเราทําบุญทำทางได้ระดับนี้แล้วก็ทําได้ได้ในระดับนี้นี่เหตุปัจส่วนหนึ่งแล้วก็มีจากสภาพเป็นล็อกจากครูบาจารแต่เหตุปัจัยส่วนหนึ่งเราก็ต้องทําเององั้นใช่มท่านใช่ท่านเป็นเหมือนแถังที่ยะท่านเป็นเหมือนกับผู้ชี้ทางว่าต้องไปทางนี้นะคุณเดินมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะต้องเดินไปทางนี้ต่อเมื่อฟังแล้วคุณก็ต้องเอาไปปฏิบัติเมื่อฟังแล้วก็ แล้วก็เลือเท้าขูซ้ายออกขูดขวาแล้วก็กลับไปทํางานทำการเหมือนเดิมวันเวลามันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รับการพัฒนาเพียงแต่ได้รับการรักษาให้อยู่ในระดับเดิมเท่านั้นเองเรายัางไม่เคยภาวนานก็ภาวนานลองอยู่ที่บ้านลองหับฝืนนิจจัยตื่นแต่เช้าก่อนไปทํางานอีกสักชั่วโมงหรือไม่เคยตื่นกี่โมงก็ตื่นมันก่อนอีกสักชั่วโมงแล้วใช้เวลานั้นมานั่ง นั่งไหว้พระสวดมนตงนั่งทำสมาธิตอนเย็นก็เหมือนกันก่อนนอนก็ปฏิบัติพยายามลดละอเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการธรรมะกินเช่นจะไปนั่งกินเหล่าเมายาหรือไปสนทนาพารายไปเที่ยวไปเนชอปปิ้งหรือทำอะไรเล่านั้นั้งันไม่จำเป็นก็ตัดตัดมันงลงไปให้มันน้อยลงไปพอเวลานี่มามามาภาวนาะกลับบ้านเร็วหน่อย ไม่ต้องไปสังสรรค์ไม่ต้องไปสมาคมกับคนคนู้นคนนี้มากมายจนเกินไปอาจจะไปแต่เฉพาะงานที่จำเป็นจริงๆเท่นั้นเองอันไหนที่มันไม่จำเป็นก็กลับบ้านแต่ถ้ามันมีภาระมีครอบครัวมันมีอะไรนี่มันก็มันก็ลาบากอย่างเรามันนโชคดีเราเพิ่งเรียนจบนจบมาใหม่ๆเราก็ยังไม่มีอะไรงานก็ไม่มีทำงานที่ทำก็ไม่ใช่เป็นงานที่เราจะ อยากจะได้แต่มันต้องทําเพราะว่ามันต้องมีอะไรเลี้ยงชีพก็ทําไปพอประทังชีพไปเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเวลาจะต้องออกจากงานนีเวลาจะบวชมันก็ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองติดตัวอยู่มันก็ไม่ได้เสียดายอะไรก็เลยไปง่ายเราไปตัวเหมก็มาตัวเปล่าแล้วเราก็ไปตัวเปล่าไม่ได้มีอะไร ที่เราจะต้องเสียดายไม่มีอะไรที่จะดึงเหนี่ยวรั้งให้เราอยู่ติดกับชีวิตของคารวะมันมองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันมีแต่ความหวังว่าไปทางนี้ยอดดีนะจะได้ปฏิบัติเต็มที่อะไรเย่างี้แล้วคนที่ชอบปฏิบัตินี่จะเห็นเลยลว่าโอ้การเป็นพระนี่ดีที่สุดแล้วพระพุทธเจ้านิวางทางให้ไปทางนี้จริงๆเป็นพระนี่ไม่ต้องทํำอะไรเลยถ้าศึกษาตามตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ย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 ถ้าถ้าเป็นงานของพระจริงๆแล้วใครจะมาสร้างเก่งเท่าพระพุทธเจ้าพุทเจ้าจะสร้างเป็นน้อยวัดพันวัดก็สร้างได้นะสมัยนั้นแต่มันไม่ใช่งานของพระงานของพระให้สร้างทำให้เกิดขึ้นในใจเท่า น, นั้นส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามมีตามเกิดไม่มีศรัทธาก็าจะเขาสร้างจิตถีให้ท่านก็สอนให้รู้ขมูลเช่นนาสนางังให้อยู่คนไม้อยู่ตามเรือนร่างอยู่ตามถาม้าอะไรตามที่ว่าง ที่สงบที่สงบเนีนั่นคือที่อยู่ของพระสมัยก่อนผ้าก็บ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าทิ้งตามป่าท่านตามกองขยะเก็บผ้าไปเก็บมาแล้วก็เอามาเอามามาตัดมาเย็บแล้วก็มาย้อมก ใ, ใช่ได้แหละสมัยนี้กับสมัยนั้นคนละคนละโลกกันสมัยนี้พระเนี่ย เ, เรามายุ่งกับไอ้เรื่องทางด้านวัตถุคือ เยอะมาในเรื่องกับพิธีกรรมเย่นนะมากจนกระทั่งไม่ไม่เริ่มของดีไปเพราะว่ามันยากถ้าจิตใจของคนที่จะเข้าสู่ทรรจริงๆเท่า ม, มันไม่มีความตั้งใจไม่มีความท้าใจแล้วมันจะมันจะไปไม่ถึงทุกคนสมัยนี้บวชกันบางทีก็ยังไม่รู้ว่าบวชทาไมเลยเพราบวชกันตาม ตามตามประเพณีมาบวชแล้วก็อาจจะชอบก็อาจจะอยู่ต่อแล้วก็คิดว่าการอยู่แทาเกิดประโยชน์ก็คือการสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรเหล่านี้แต่ไม่ค่อยได้จะหนักไวทธรด้านการศึกษาการปฏิบัติศึกษาก็พอที่จะเอามาท่องจําเหมือนกับนกขุนทองแล้วก็เอามาสอนกนอื่นต่อได้เตลย์เก้าประโยชนย์แล้วก็ตตองไม่เคยเอาเก้าเก้าประโยชน์นี่มาปฏบิบัติกับตัวเองเลย ก็เป็นความรู้ที่มีอยู่ในใบประกาศานั้นเองแต่ในใจนิงกิเล่มันก็ยังเต็มหัวใจอยู่ตา ย, ยตสีมงนนองงั้นขอคำถามนะท่านาจะรีกเมืกี้อารพูดถึงเรื่องเรานแน้วเราเจ็บเรื่นะครับเจ็บผ้าเจ็บอะไรเนี่ยแล้วอาจาย์พูดถึง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 แยกเป็นทุกข์เหมือนกับทุกข์ ใ, ใจทุกขายได้นี่ยทุกใจดับได้ด้วยด้วยปัญญาด้ว ย, ญญวยมรรคที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจครับ<ๆ> แ, แ, แต่ทุกใจนี่มันก็อาศัยทุกข์กายเป็นตัวทำให้เกิดเช่นเราหิวข้าวมันก็เกิดความ ท, ทุกทุกกายแล้วใจก็หมุดหงิด ต, ตามไปด้วยเวลาคนหิวข้าวนี่พูดกันบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องต้องให้กินข้าวอย่งก่อนถึงค่อยคุยกันถึงจะรู้เรื่อง ตอนนั้นใจมันหงุดหงิดใจมันถูกให้ตัวตาลขาครอบงำตอนนั้นคิดใจจะกินอย่างเดียวใครมาพูดเรื่องอะไรแล้วฟังไม่ร in uh um uh ู้เรื่องนะแต่ดับที่ใจได้แต่กายก็ไม่จําเป็นต้องดับนะดับไม่ได้มันต้องไปมันไปดับาะมันมันธรรมชาติมันเองใช่แต่มันจะดับไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดจากใจไปไปสร้างมันขึ้นมาอาจารยพอใจเราไม่ไปไปไปไปเกี่ยวข้องกับร่างกายความเจ็บนั่นมันกทีก็หายไป เด้วยบางทีมันโดยธรรมชาติมันจะเป็นอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปประเดี๋ยวมันก็จะกลับเป็นขึ้นมาใหม่เป็นเป็นธรรมชาติของของร่างกายที่มันเป็นยังไงแต่ถ้าใจเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่สามารถที่จะมาทําให้ใจเราไปเกิดความทุกข์กับมันได้ถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกนี่ส่วนใหญ่เราโดยนิสัยของเราพอเจอความเจ็บนิดเราจะขยับละเราจะหนีละบางทีถ้าอะไรเป็นความเจ็บเราไม่เอาน มันก็เลยเป็นยึสัยพอไปอยู่ในสภาพที่ขยับไม่ได้มันก็ทรมานใจแค่เวลาบางทีเราต้องไปนั่งฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์นานๆอย่างพระเวลาครูบาอาจารย์เทศนิยังนั่งต้องขยับไม่ได้นะจนกว่าท่านจะท่านจะเลิกเทศ<ม>ก็นั่งไปตัวก็กปล่อยไปแต่ถ้าเราพยายามตั้งใจฟังอยู่อย่างเดียวใจเกาะอยู่กับการฟังไอความเก็บมันก็ไม่ค่อยมไม่ค่อยรุนแรงแต่ถ้าเราเกิด ขาดสมาธิในการฟังแล้วมันมาสนใจกับการเจ็บมันยิ่งเจ็บขึ้นใหญ่งเพราะมันเกิดจากการสร้างขึ้นมาของจิตเข้าไปทำให้มันรู้สึกว่ามันมากขึ้นเหมือนกับเราขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นน่ภาพมันขนาดนี้แต่เราคล้องขยายมันขยายใจเราเวลาเราไม่ต้องการมันเรารู้สึกว่ามันจะจะจะบุญแรงมากขึ้นแต่ถ้าเราชอบเรามันจะรู้สึกเฉย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 การรักษาที่บ้านกับรักษาโรงพยาบาลนี่มันต่างกันรักษาที่บ้านมันไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลที่เขามีอยู่มียามีหมอมีพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือ venir. พร้อมจะทําการผ่าตัดหรือทําการอะไรทันทีทันใดก็ทําได้อยู่ที่บ้านนี่มันไม่ไ ม, มีก็เหมือนกับการปฏิบัติที่ในเพศของคารวะกับการปฏิบัติที่ที่ในวัดนี่มันมันมีความแตกต่างกัน แต่ยกเว้นคารวะบางคนเขาอาจจะมีบุญมีวาสนาคือเช่นเขามีเงินมีทงังเขาสามารถสร้างห้องปฏิบัติของเขาเขาอยู่ของเขาคนเดียวไม่ให้ใครมายุ่งเขาเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้คือขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสร้างสร้างสร้างปัจจัยที่จะเอื้อในการปฏิบัติให้ได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราสร้างได้เราก็เราก็เหมือนกับเราอยู่วัดเี่ย ว่าถ้าเราอยู่อย่างอาสนาที่ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งคนเดียวก็อยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีใครมายุ่งกับเราเราก็ปฏิบัติธรรมได้มันถึงก้าวหน้ า, าได้พอสมควณแตเเ่เมื่อเปรียบเทียบกับการเมื่อได้บวชแล้วไปอยู่วัดเนี่มันไปได้เร็วกว่าเยอะมีปัจจัยเคลื่อนเยอะเพราะมีครูบาอาจารย์คอยคอยขาดคอย คอยดันค่อยถีบคอยสุดท่ายแต่จะพูดมีานผู้เวลามีปัญหาท่านกันาท่านกันามาบูท่านแก้ไะอาจามาก็โชคดีที่ว่าไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่อยากจะเข้าไปหาท่านก็คอยฟังที่ท่านเทศก็พอแล้วในสมัยนั้นท่านเทศบ่อยสี่ห้าวันนี้ท่านจะเรียกว่าชมทีสอนค่อยสอนเข้มตอนนั้นสิ้เข้มอยูก็จับเอาจากที่ท่านเทศอ่าคือท่านเทศเพราะท่านเทศ สองครัง้ ง, ง, งไงครั้งแรกท่านก็พูดแบบทั่วไปแล้วครั้งที่สองท่านก็จะเล่าถึงการปฏิบัติของท่านเองว่าท่านนั่งทั้งคืนอย่างไรท่านต่อสู้กับความกลัวอย่างไรท่านทาอะไรอย่างไรน<ม>ี่ก็ตอนนั้นท่านก็จะขั้นหมากไปแล้วก็คุยไปคุยไปเป็นว่าเคยไินครูอาจารย์พูดถึงว่าจะได้ทำจากหนุกตามมากหรือว่าแก้ปัญหาธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ในเวลาที่ได้โอกาสเป็นนวดท่าน โดยถ้าได้ปฏิบัติกับท่านจะเช่นเป็นเท่าอุปถาอันนี้ก็จะมีโอกาสเยอะเพราะเวลาอยู่ใกล้ตัวท่านนี่ก็เหมือนกับเราขึ้นขึ้นเวที ต, ต่อยต่อยมวยอ hmm. เพราะว่าผู้ต่อสู้เขจะต้องคอยต่อยเราอยู่เสมอใช่ไหมเรก็ต้องคอยตั้งตั้งรับอยู่เสมอก็ทำให้เรามีสติตะตัะตงมีปัญญา hmm. คอยคอยับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปปฏิบัติใกล้ชิดกับท่านเราก็เพียงแต่เหมือนกับนักคนดูนั่งดูเฉยๆแค่นั้น hmm. ก็จะไม่ได้ไอ้สิ่งที่มัน ยกไว้ว่าเราเป็นคนที่เราสามารถที่จะปฏิบัติของเราเองได้เราก็ไม่ต้องอาสัยท่านให้เป็นตัวกระตุ้นเพราะเราแต่ถ้าได้ท่านได้ไปรับใช้ท่านใกล้ชิดอย่างนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกับพระอนุนที่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดจะได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ด้วยกันทุกคนใช่ไหมเพราะท่านก็องค์เดียวแล้วท่านก็มีลุกติด ต, ต้องเยอะแยะ นี่ก็แล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาใครแล้วก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้จิดอย่างนั้นคนอื่นที่ไม่ได้ใกล้คิดพระพุทธเจ้าหรือกับครูบาอาจารย์เขาก็บรรลุธรรมได้บางคนที่ก็มีปัญญาก็มีบรารมีพอเพียงแต่ฟังธรรมะเพียงคําส่งคําซึ่งคนที่ไปขอฟังเทพในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงบินถบาลแล้วพระพุทธเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอนธรรมะแต่เขาบอกได้ตรวจได้พูดธ ร, รมะให้เขาฟังเถิดท่านก็ทรงพูดสั้น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 ก็แสดงว่าเขาได้บรรลุธรรมนะงั้นแต่ละคนมันมันมันไม่มมันไ่เหมือนกันเหตุปัจจัยความบุญบารามีของแต่ละคนนี่มันบางคนบางคนอยู่กับะเจตลอดเวลาก็ไม่ได้บรรลุธรรมก็มีกลายเป็นกระโดก็มีนะอย่างพระเทวทัตนี่ก็เมื่อกลายเป็นกระโดขึ้นมาก็แล้วเทวทัตนี่หลงหลงตัวเอง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 ก็เลยไปทำกรรมที่ไม่ดีที่สยามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันตอนใ น, นที่สุดก็ต้องถูกทรมิตรใส่แต่เนื่องจากว่าได้สะสมบุญบา ร, รมีม า, มามากอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายว่าหลังจากที่ได้ไปใช้กรรมในนรกแล้วเมื่อพ้นมาแล้วก็จะได้มาบรรลุเป็นพระประเกษัตริย์เจ้าต่อไปนั่นถึงแม้ว่าบุญที่เขาได้ทำไว้มันยังไม่มีโอกาส ปรากฏผลขึ้นมาในชาติามิ้วชาขึ้นมาจะหมายความว่ามันเสีนห่อไปไหนการที่ได้ บ, บวชเขาพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ตอนนั้นมันถูกกรรมมาบังนั่นเองก็ต้องไปใช้กรรมนั้นให้มันหมดไปเสียก่อนเมื่อหมดกรรมแล้วก็บุญนั้นก็จะส่งผลให้เราได้ให้เขาได้ไปไปสู่ที่เขาควรจะไปต่อไปและบุญกรรมมันก็มีจริงเพียงแต่ว่ามันจะ ออกมาใครมาก่อนมาหลังเท่านั้นเองดังนั้นเราอย่าไปทอ้อแท้ว่าเอ้ยเราทำบุญมาถ้าเป็นแทบตายเราไม่ค่อยได้อะไรเลยบุญที่เราทำํำอัจจะยังน้อยไปหรือยังไม่มากพอหรือยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะส่งผลออกมาแล้วกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้มันพอดีกับจังหวะของเขาที่จะแสดงผลขึ้นมาแล้ก็ทําให้เหมือนกับว่าเราได้ทําบุญแต่เรามีแต่รับเคราะห์กรรมรับบากอยู่เรื่อย อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลของการเก่าที่เราทําไว้มูเราพยายามที่สร้างเหตุใหม่ที่ดีขึ้นทุกตลอดเวลาโดยไม่ได้พยายามไปเปลี่ยนผลเก่าอของมันเปลี่ยนไม่ได้ผลเก่าทั้งบุญทั้งบาสนี้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่เท่นั้นเองฉะ้นก็มีหน้าที่ของเราคือมีแต่หน้าที่ทําบุญ ล, ละบาป ชำระจิตใจนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่ที่เป็นพระโอวาทปฏิโมกในวันมาคาคุชาของการกระทําความดีทั้งหลายถึงพรงละการกระทําบาป ท, ทั้งหลายเสีย <Yeah. S 1> แล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจด น, นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์งั้นอย่าไปต้องไปรอพระสีอานาตกัต บ, บรรุล้วคิดว่าจะบรรลุตอนนั้นเลย เพราะว่าศีนก็จะสอนแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าของเราสอนอยู่ในขณะนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ต่อให้เจอพระศีลอนอีกร้อยูกก็เราก็ยังปฏิบัติไม่ได้อยู่นั่นแหละมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทำหน้าที่ของท่านพร้อมบริบูรณ์แล้วตัวเราเราทาพร้อมหรือไม่ท่านบอกเอเราต้องพยายามประเจรตยากรรมมาทางนี้ให้ได้ พยายามปล่อวางความสุขทั้งโลกเสียมีอะไรพอที่จะลดจะละได้ก็ตัดได้ก็ตัดมันไปเขก็ต้องละทั้งละด้วยแล้วก็ต้องทั้งทั้งปฏิบัติทั้งบําเพ็ญด้วยละในสิ่งที่มันไร้สาระละในสิ่งที่มันสร้างโทษให้กับเราแล้วก็บําเทาในสิ่งที่มีสาระบำเพ็ญในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราต้องทําทั้งสองอย่าง มันก็จะค่อยพาเราไปเองมันมันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่การกระทํนต่างหากที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย่งั้นจะมีพิกษุมีที่เป็นผ้าอาหารเนี่ยจะมีแม่ชีที่เป็นผ้ามันขึ้นมาได้ไงก็มีได้เช่นนั้นแหะมันอยู่ที่การปฏิบัติเป็นหลัก ง, งั้นก็ขอให้เราจงใช้อ่า คือความแน่วแน่มีความมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วขอให้เราพยายามตะเกียบตะกาใจให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วผลที่จะดีก็จะเป็นสิที่ตามมาต่อไปมันจะให้พรอมงนี้นะยะถาวาริาหาสุราตาดิโกเรนติสาคารังเอวเมวาอิโตทินางเตตานังอุปกัปฏิ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิเตตเมวะสมิชฌตุสัพเพปุระินตุสังกะปาจันททปนะระโสยถามเนิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะทวันตาโยสุขีทีขายุโกภะ พาพิวาทธนสีลิศะมิจังุทธาปจายโนจะตาโรธัมมาวะธานติอายุวันูสุขังอะลางด<า>ูใครต้องการหนังสือนี่มั้ยเหลืออยู่สีเล่มจะขอหนึ<อ>่งค่ะ ได้ไดนะ้เดี๋ยวจะใหานะ้าเล่นเล่นเล่นเล่นสิเอนี้ได้นะเล่น11บอ็ดก็ดีแล้วค่ะเล่นเล่นก่อนอ๋อพอดีมีคนเขาจัดไว้เป็นครบชุดอยู่สองชุดเดี๋ยวจะมาให้ทั้งสองชุดก็แลวกันเราไปแบ่งกันเราเองกันละกัน <โ>อาจารย์นังสือที่อาจารย์มี11เล่มเนี่ยนะครับกับในซีดีเอ็ี3่มตัวเนื้อืออันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันแต่จะมีมากกว่าเพราะว่าเอพ3เราทำเป็นเล่ม10เล่ม17แล้วก็17แล้วแต่หนังสือเราแค่เพียง11ท่มานอาจารย์น่ะเนื้อ สี่แผน่นจะถึงเรื่องสิบเจ็ดแล้วแต่หนังสือเองมีงแค่สิบเ็ดเท่านั้นนะเพราะว่าใครอยากฟังอันนั้นจะได้เยอะกว่ า, วาแล้วก็ในซีดีก็มีมีเปิดอ่านได้ถ้าเรามีเครื่องคอมเราปับเข้าไปก็จะมีถึงเรื่ม1สิบห้าเรืองสิบห้าเราไปเปิดอ่านได้าจารย์กำลงโยนไว้ไ่กดติดเกือบจะวางไว้ตรงนี้แล้วแต่วางไว้ข้าขงๆ แล้วเดี๋ยวถ้าบมาเก็บเงินเก็บเองนะครับสคนเดียวเราไม่ทำไรปีหน้าหรือปีสีไม่มีอะมีเราเดียว ฟังให้เขาใจแก่นะีอยฟังให้ไม่ได้ผลดีดีผลิตขายได้อเนี่ยทำลูกมากทลูกเบื่อเกินทำพอเป็นทุกข์มากก็นี่ก็แบบว่าเราเมื่อเราทำแล้วไม่ได้แล้วเราจะไปทุกข์ท ทุกมันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรใ ช, ใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่ทุกใช่ไหมการทุกมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทุกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ทุกก็เป็นเหมือนเดิมอยู่เอาอย่างไงเอาไม่ทุกหรือจะเอาทุกเอาไม่ทุกใช่ไหมก็อยู่ตรงนั้นปล่อยพอเราพิจารณาได้ปัญญาแล้วเรารู้ว่าเราแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของเขาแล้วมันกรรมของเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันไปตามกรรมของเขา หรือเราถ้าเราพิจารณาเราว่าอย่างแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอาจารย์นะถ้าเราคิดว่ายัางยังสู้มันไหวยังเอากันได้อยู่ทําไปมันก็จะหาวิธีแก้ด้เจ้าจ่าแก้ใจเขาก็ดูที่เหตุเลยมันมันคนจะไปเล่นเกมมันต้องมีเงินทมันไม่ได้เงิ น, นแล้วมันจะไปเล่นได้ยังไงอย่างนี้เขาเล่นที่บ้านแต่ว่าเขาไม่ดูเรื่องสือเลยใช่ลูกเขา เป็นเหมือนยามไงกลางคืนเล่นเตียงกลางวันนอนแล้วเลยไม่ได้ไปเรียนเพราะก็เป็นกังวลอยู่จะทํางาเป็นตัวเขาอะไม่ใช่ตัวเราถึงไม่เรียนก็ไม่เรียนนี่ร้องก็ทําใจไม่ได้ว่าลูกเราลองลองไม่ทุกทีแล้วไปกราบเตือนทุกทางทาอะไรจากกๆก็มันได้สติแล้วเร่มันจะได้สติไปนนะผมได้ขอลองแต่ทําให้แม่หน่อยแล้วได้ไหม่ แม่ขอกาบตีนลูกเลยพับบีบเลยะเท็นนายเป็นกเป็นอุบายอะ่ะเป็นงั้นแล้วเข<ร>าจะเป็นบาที่มาตัวเขาไหมคะท่านไม่หรอถ้าจะได้ค่าจะได้สติก็ได้เาขนาดแม่เรายัางมาจาบตีเราเนี่ยถ้ามันมีมีจิตจำเน้มันก็จะได้ผลผลได้ถ้ามันไม่มีจิตจำเนือ ก, ก็ถือว่าตัดทางปล่อนวัดได้นะ ใช่ไหมขนาดแม่เอาดอกไม้ทุกเทียนมากาบมันยังไม่ได้ผลก็ปล่อยมันไปแล้วเถอคือว่ามันมันมันมันมันมันเป็นพวกบัวใต้น้ําแล้วล่ะเราทำลายให้มันไม่ได้แล้วเราทําดีที่สุดแล้วขนลายกาบตีมันมันยังไม่ทํามันยังไม่เอาก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อใช่ไหมจะทํำเลยนอย่างนั้นก็นอกจะกทาบเท่านั้นอ่ะต้องทำใจอ่าก็ต้องทําใจถือว่ามันเป็นกรรมของเขา ทั้งหลายมีกรรมเป็นการของตนไม่หรอกกรรมของเราเราไปไปทุกข์กับเขาเท่านั้นเองถ้าเราตับได้เรามีปัญญาตัดกรรมกรรมเราเราก็หมดกับเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นคนทุกข์ทรมาเองออกไปเ่อทุกข์ยากลำบากเพืออาจจะมีเวรมีกรรมกันเราเคยอาจจะสร้างเวรสร้างกรรมกันมาเดีกๆเข้าเลยกรรมมามามาเป็นทั์สร้างความทุกข์ให้กับเราไดนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องทนเราเท่านั้นเอง ก็วเราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมมาให้ในส่้นตัวพย า, า, ายามให้ความเมตตาให้ความสงสารเมือ่อาทสไปเทาที่เราจะทำได้แต่อย่าไปทุกข์ทุกก็ไม่ได้ไปแก้เลย แต่ผู้ ส, สารเขาก็เขาเป็นทุกข์มากต อ, อนนี้ไม่ทุกข์ก็หล่ำนี่ก็เขาา้าใจกันไหมกำลังทำใจนะเมื่อทุกข์ล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเราไม่ทุกข์มันก็เป็นเหมือนเดิมเราไปทุกข์มันจะเกิดประโยช น, น์นะนะท่องคาถานี้ไว้จำไว้ส <c oughs> อนตัวเราไว้ <c oughs> ติวโคตรกลัวว่า ลูกจะเรียนไม่จบจะไม่มีอาชีพจะตอบไปถ้าเขาตายลงลูกจะทายังไงเพื่อเป็นกรรมของเขาเพ่อกรรงเนเมื่อเขาไม่ไม่ขวนขวายมันก็พวกเราเนี่ยพระเจ้าสอนเราให้ธาเป็นธาตาาตาธรรมะเราไม่ไปเป็นนิพพานพระู้เจ้าเมาร้องหง่มร้องห้รับทุกข์กับพวกเรา ก็อยากจะให้เราไปทานกันแน่พวกเราก็ยังอยากจะอยู่ของเราอย่างนี้เราก็เหมือนเั็ลูกเขาเนี่ยนะเเพื่อนเเแล้วว่าคิดหน้าไปเองอะเด็กบางทีมันอยู่วันนึงมันก็เป็นอย่าง้ เพราะทาที่ฟังมาเดือนนี้พวกคนที่มันอตขึ้นนั้นก็บอกว่ามันได้ดีจากเกมพวกนี้เดือนนี้มันมาจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องคอมพิวเตอร์มันมีความรู้จักเรื่องนี้มันจกวันหนึงมันต้องเอ็นตัวแต่ล้านเป็นผู้หญิงนะคะเช่นเคยนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายนันไม่ไม่เกี่ยวพันหรอกมันอยู่ที่จิตจิตมันไม่มีเพศอรอย่นี้จิตมันก็เป็นจิตมันมีกิเลสมีความหลงท่านเั้งมันอาจจะได้สติจะตามขึ้นมา มันถ้ามันมันต้องอิ่มตัวยิ่งถ้าเราไม่ไปดู้ที่จิตจิตกรรมมันมันจะอิ่มตัวเลยกว่าอ <c oughs> ถ้าเราไปดู้ที่จิตจิตกรรมมันมันเป็นการยิ่งละเหมือนยิ่ง่านยิ่งยุย่เนี่ยนะมันยาชนะเราเพราะใบเตยเขาบอกมีร่่งไม่อย่าไปยุง่งอย่าไปยุ่งปล่อยเขาไปเลยทําเป็นไม่แย่แสละเท่าหนึ่งก็จะเริ่มคิดแล้วว่าแม่เราไม่อย่แสเรามีจริงมันก็จะเริ่มทุจริตก็จะได้ได้ได้บางทีเรา บางทีเขาต้านเขาต่อต้านเราก็จะเอาแพรชนะของเราของเราตอนนี้เขาโตแล้วเขายังจะเป็นตัวของเขาเองแล้วเรายัางไปแพ่ความไปคุมหัวเขาอยู่ทั Burger ้งทลายไปคความรู้สึกเกลียดทางทางจิตใจทำอะไรก็เพื่อจะทำให้ทุกข์ใจใอะไรบางทีเขาก็ไม่ทำแล้วเราอยู่เฉยๆก็ปล่ยอยเขาไปตามเรื่องาราวๆไม่แยแสเเดี๋ยวสักพักเขาก็เขาก็จะเห็นครับ ค, ความผิดแปลกแบบนี้ เดี๋ยวมันก็ไม่มีตัวที่จะมาคอยสร้างความความรู้สึกที่อยากจะต่อสู้กับาครับแต่เมื่อฝ่ายยังไม่ตอบโตแล้วมันก็จบแบตบมือตข้างตบมือข้างเดียวไม่ดัลองทกใจเฉๆว่าคก็ดีครับล้ก็เราค่ะค่อนข้างที่ยากเาเราเห็นแล้วเราต้านเราก็อยากไปเตือนเขามาบางจะก็ต้องบอกยิ่งเตือนยิ่งยิเอนยิ่งเุ่งตอนนี้ ยิ่งเจอยิ่ยาต้องต้องต้องบอกเราเราเจอเราพอแล้วไม่ใช่เ่ยถ้ามันถ้ามันได้ผลนันก็ควรจะได้ผลมาานะนี่เราต้องเราต้องใช้วิธีอื่นนะใช้วิธีไม่เจอเนาะอะไรไม่กับหมอให้ยามาต้องเยอะนะมันอาจจะดื้อ ย, ยาหรือว่ายามันมากเกินไปก็ลองหยุดยาสักครั้งเดิมมันจะมันจะดีขึ้นมา เขาเป็นแม่ที่ดีมากนะคะตีหนึ่งตีสองยังุดเสื้อคุ้ยเตี๋ยวให้ลูกนะคท่ากจริงๆ่ะผมเห็นลูกเห็นรักลูกมากอาจะไมารักลูกเสอยคนละรักลูกให้ตีรักรักูกให้ขุ้นแล้วไม่ให้ตีาอาจจะในสมัยคนสมัยใหม่ไม่ค่อยชอบตีลูกก็เลยไม่เชื่อคำพิสหจน์แต่เมื่อผมแค่นั้นก็รักสิดยากรักในทางที่ เราก็เลยได้จากจทาอะไรก็ได้นะแต่ถึงตอนนั้นแล้วเราก็มีทางเดียวคือต้องใช้ก็พูดเรื่องสอนมากแต่ไม่ได้ทำที่ทำใจพอให้รู้ว่าเออนี่ไม่ดีนะลูกนะทํานี้ไปเรื่อยๆอนาคตมันจะแย่เขารู้เพียงแต่ว่าเขายังยังมีการที่อยากจะเอาเอาแพ้ชนะเัาอีกนะทั้งเมื่อเขารู้ว่าเขาชนะเราแล้ที่นี้เขาก็จะเริ่ม เขาจะเริ่มคิดถึงชีวิตของเขาเองของแม่ช่วรู้ไม่ได้นะต่อไปแม่ตายอย่างลูกก็ถ้าไม่มีความรู้ก็อาจจะต้องไปทํางานอะไรลำบากข้างบุญลูกไม่ผลขวายหาวิชาความรู้ใส่ตัวทําย่างการรู้ข่อยแต่ถ้าพูดได้แค่นี้พูดมากก็ไม่ดีพูดน้ำก็เบื่อมันก็ฟังเจยวหน้าที่รายก็จะจะจะสอนจะว่าอยูตลอดเวลามันก็เกิดความดิ้นรนอย่างนี้กัน บองทีว่าความลังมากเกินไปนี้จะทําให้มันเสียได้เพราะเราไม่ไม่ไม่คิดถึงตัวเขาว่าเวลาเขาเจอนหน้าแมา่เขามจะทำรู้สึกยังไงเจอนหน้าที่แม่แม่ก็อย่างบางทีว่าสุกคนแม่เขาก็บอกนะเข<ร>าก็รังว่าบางทีเราก็พูดมากเกินไป ถ้าเป็นหมอก็ให้ยามากเ็ยตายให้ยาคงใกล้มากดืยามันไม่ยืดดามันจะตายเพราะยาคนไขามันถึงต่อต้านขึ้นมาเราไม่ทำดีนะเาทางสายกลางไม่ปล่อยทีเดียวแต่ก็ไม่ไม่ไม่คุ้มแจเลยทีเดียวที่มีวัยโตขึ้นเขาไม่ต้องการที่จะให้เหมือนกับ ต, ตอนที่ก็เป็นดเด็ก แเราจะให้เราถ้าปฏิบัติเข้ามาเนี่เป็นผู้ใหญ่ครับให้เขาตัดสินใจแล้วก็เองกอานี่ะ